ในวันนี้ก็ปรพรธรรมมาช่วงนี้ก็ปรพระธรรมกันค่อนข้างมากพวกเราทั้งหลายก็อยู่ในช่วงแห่งการที่เรามาเจริญกุศลกันทีนี้ในการเจริญกุศลเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของในหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่า ทำให้เราคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบรารมีความเป็นผู้เลิศพระบรมศาสดาก็ทรงบำเพ็ญบรารมีจนเต็มเปี่ยมก็คือจบจนสามารถตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิธญาณเป็นต้นได้ก็ทําให้เรามานั่งคิดถึงเรื่องว่าเออชีวิตนีกระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่พูดถึงตอนฉันข้าว ว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรไเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีที่ตั้งหลักไว้เนะี่ยประเด็นก็อยู่ตรงที่บอกว่าการที่เรามาตั้งหลักให้ชัดว่าอย่างที่พูดถึงในเรื่องของกรรมสี่อย่างกรรมดําให้วิบากดํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ชา้าทิ่ิีเนี่ย ที่เป็นตัวผักดันทําให้การทําบาปทางกายทางวาจาและใจก็ส่งผลทําให้เราได้อบายทุคติวินิบัตินรกถ้ามาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ไม่สมประกอบเราก็ต้องมาเจ็บปวดกับบาปรกรรมที่ตามให้ผลด้วยแล้วก็ทําใหม่ด้วยกรรมเก่าด้วยอะไรก็ว่าไปอะไรคือกรรมเก่าตาหูจมูกเล้นกายใจอัตภาพเนี้ยเป็นกรรมเก่าเรียกว่าเป็นผลของกรรมเก่า แล้วอะไรเป็นกรรมใหม่กายกรรมวจีกรรมมนโนโกรรมที่กําลังกระทํากันอยู่เนี่ยทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมถ้าเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตที่กระทากันใหม่นี้เขาเรียกว่าเป็นอกุศลกรรมใหม่ไม่ใช่เป็นอกุศลกรรมเก่าถ้ากา ย, ยสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตเนี่ยที่กระทากันนะปัจจุบันนี้ก็เป็นกุศลกรรมใหม่ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่กุศลกรรมเก่าแต่อาศัยอัตภาพคือตาหูาจมูกเล่นกายใจเนี่เป็นพวกกระทำเนี่ทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้ชัดขึ้นว่าทีนี้ถ้าหากว่ากรรมดําให้วิบากดำเนี่ยอันนี้เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติกรรมที่ผิดพลาดการทํากรรมที่ผิดพลาดเราก็ได้ผลตอบแทนคืออบายทุกติวินิบาตในโลก ส่วนกายยศสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตอันนี้เป็นกรรมขาวเขาก็จะมีวิบากขาวคือสุคติโลกสวรรค์ก็ได้ความเป็นผู้มีอัตภาพได้รับความสุขสมหวังเป็นต้นเลยนี้ได้ลาบได้ยศได้สุขสรรเสริญความสมหวังทั้งหลายมันตามมานี่กรรมขาวทีนี้กรรมทั้งดาและขาวมีวิบากทั้งดาและขาวคลเ้ากันไปคือ อันนี้บางคราวเราก็ทํากายยุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบางคราวก็ทํากายยะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตบางคราวก็เป็นสัมมาทิฏฐิบางคราวก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวผลักดันให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยรุ่มๆดอนๆอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นทางดําเนินชีวิตเป็นหลักดําเนินชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราประสบพบเจออยู่ถ้าถาม3มเส้นทางเนี่ยตอนเนี้ยเรากําลังทํากรรมใหม่กันอยู่เนี่ยเราอยู่เส้นทางไหน เราเป็นคนที่ทำกรรมดำชัดเลยไหมดำเดนินทำบาปทั้งกายวาจาใจตลอดแล้วก็ตั้งปณิธานว่าทำอย่างนี้จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นไหม<ช>หรือเป็นบุคคลที่เป็นกรรมขาวล้วนๆเลยมีเจตจานงจะทากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ล้วนๆเลยเพื่อหวังสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นเราเป็นแบบนั้นไหมชัดเจนแบบนั้นไหม หรือเป็นกลุ่มที่ไม่แน่นอนมีทั้งกรรมดำรมขาวคระเขากันเดี๋ยวก็กายสุจิตวจีทุจริตมโนุจริตเดี๋ยวก็กายสุจิตวจีสุจิตมโนสุจิตเดี๋ยวก็เห็นผิดเดี๋ยวก็เห็นถูกสลับคราเขากันแบบนี้ใช่ไหมกรณีอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโมหะวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยที่เราไม่สามารถจะชัดเจนในตัวเราเองได้ใช่ไหม ไม่มีอาทิโมกคือการตัดสินให้ชัดลงไปว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สรุปก็คือหลงมัวเมาก็ทําบาปได้สติกลับขึ้นมาก็ทําบุญเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็อีกเส้นทางหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมทั้งดําและขาวมีทั้งบาวิบากทั้งดําและขาวคละเคล้ า, า, ากันไปบางค้าวก็ได้อบายทุกติวิบากในโลกบางค้าวก็ได้สุคติโลกสวรรค์แม้แม่มาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้น บาปก็แทรกให้ผลตลอดเวลาเพราะเราเป็นคนกลุ่มนี้ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ทีนี้เอาละสิทีนี้มันมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เรียกว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้คือการตั้งเจตจํานงความจงใจและตั้งใจในการที่จะประกอบมรรคกรรมมีเจตนา มีเจตนาความกระตุ้นเตือนชักนำปรารถนาอยากจะทําสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นกระตุ้นเตือนจะทําสัมมาสังปกปะคือความตัมบีถูกต้องให้เกิดขึ้นมีการกระตุ้นตักชักเตือนเพื่อจะทําให้สัมมาวิจารสัมมากรรมตะสัมมาชิวัยเกิดขึ้นและกระตุ้นเตือนชักนำที่จะให้สัมมาวิมาสัมมาสติและสัมมาสมาธีให้เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าอย่างนี้แปลว่าเขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ของมนุษย์ที่ยึดยองจากความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ายึดยองความเชื่อมั่นจากพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนีเข้าถึงความเป็นเลิศเพราะประกอบด้วยคุณวิเศษมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยคันติสจัจจะอธิฐานเมตตาและเวหาบารมีเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเลิศนั้นเพราะพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่น ในศักยภาพตนเองว่าจะสามารถเอาทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงเวบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดนั้นเอามาไว้ในตนมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเป็นต้นได้และจะเข้าถึงความเป็นเลิศให้ได้หรือภาวะหรือการกระทําของผู้เลิอดก็หมายถึงการกระทําของพระมหมาสัตว์ทั้งหลายก็คือพระพุทธญาหรือพระวิษณ์ทั้งหลายหรือทําให้เต็มทําให้เต็มก็คือทําทานบา ร, รมีให้เต็มศีลบา ร, รมีให้เต็มเนคขมะเป็นจนถึงเบกเขาบา ร, รมีให้เต็ม เรามีความคิดไหมว่าเราจักบำเพ็ญบารมีจริงๆถ้าเรามีความคิดว่าเออเราจัดบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นปัจจัยแก่การเส้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างแท้จริงอันนี้มาจากความเจตนาที่จะจัดบำเพ็ญจริงๆนะเออมันเหมือนกรณีที่เราสมัยเรียนหนังสือเราก็ตั้งใจว่าเราจะต้องเรียนให้จบใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะเป็นอะไรตามที่ เจตจำนงหรือความจงใจความตั้งใจที่เราปรารถนาที่จะเป็นแล้วเราก็ไม่เคยลืมเจตนาเหล่านั้นและเราก็ไม่เคยลืมในการที่กระตุนต้นเตือนถึงแม้บางคราวมันจะท้อจะอะไรต่างก็แล้วแต่แต่ที่สุดจริงๆก็จะลุกขึ้นมาขวนขวายต่ออย่างนี้เป็นต้นแล้วที่สุดจริงๆเราก็เรียนจบแล้วก็เราทํางานทําการมีหน้าที่การงานก็ว่ากันไปอันนั้นก็มาจากเจตนานะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการบําเพ็ญ การบรเป็นคือการคือทำหรือรักษาคุณทั้งหลายรักษาทานบารมีไว้ในตนจนถึงรักษาเวรค้าบารมีเป็นตนไว้ตนบางทีแปลว่าร้อยหรือว่าผูกไว้นะพระมหาสัตว์ทั้งหลายย่อมร้อยหรือผูกคุณวิเศษเหล่านั้นไว้ไว้ในตนเราเราเคยผูกทานบารมีไว้ในตนไหมเคยร้อยไว้ไหมอร้อยไว้ยังไงศีลบารมีผูกร้อยไว้ในตนไหม เน่คําว uh. yep ่าบารมีร้อยไว้ในตนปัญญาบารมีร้อยไว้ในตนปลุกร้อยไว้ในตนคือคือยังไงเมื่อเอาทานบารมีไว้ในตนก็จะมีเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้คิดจะคิดจะแบ่งปันคิดที่คิดจิตที่คิดจะสละมันมีแบบนี้ไหมเราเราจะให้เอาให้อะไรนี้เรามีวัตถุทานเราจะให้วัตถุทาน อาเรามีไม้มวัตถุทานลองมองดูที่อา้าวเนี่ยมีอาคารสถานที่เราจะให้คนเข้ามาอยู่ได้มีความสุขความสบายเรามีเสนาสนะเราจะให้เขานั่งให้มีความสุขเรามีอาหารเราจะให้เขากินเรามีน้ําเราจะให้เขากินเรามีต้นไม้ใบหญ้าเราจะให้เขาได้อยู่ร่มอาศัยต้นไม้ใบหญ้าที่ปลูกไว้ทั้งหลายเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เดือดร้อนใจขอแค่ได้ที่ได้พี่พักพิงเราได้มีเจตจํานงเจตนาแบบนี้กันบ้างไหม เราจะทำสถานที่ตรงนี้ให้เป็นที่เย็นตาเย็นใจเพื่อยังสัตว์ทั้งหลายที่มาอยู่ในะสถานที่ตรงนี้ให้เขาเกิดความสุขได้กุศลเกิดขึ้นจากการได้เห็นได้ดูได้เกี่ยวข้องเออไอเจตคิดจะให้อย่างนี้จริงๆแล้วถ้าคิดเป็นแล้วมันได้กุศลไหมเม้เจตนาดีปัญญาถึงแล้วมันได้กุศลได้จริงๆนะทั้งๆที่วัตถุเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะและเราเคยคิดว่าเอาละเราจะให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทวนทวนหน้า หให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย 2. ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สิน3ให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาในญาติมิตร4ก็คือให้คําสัตย์คําจริง5ก็คือให้ความไม่หวาดระแวงว่าเราเป็นผู้มีสติสัพ ย, ยัญญาควบคุมตัวเองได้ไม่ไปล่วงละเมิดไม่ไปทําชั่วอะไรเขาเห็นเราแล้วเขาชื่นใจว่าท่านบุญเนี้ยน่าไว้ใจจริงๆเราได้เคยคิดที่จะให้แบบนี้บ้างไหม การให้แบบนี้เขาเรียกอภัยทานหรือเป็นศีลนั่นเองมองเห็นไหมทีนี้หมูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นผู้มืดบอดด้วยโมหะไม่รู้หลักในการดำเนินชีวิตเมื่อเกี่ยวข้องกับเราแล้วเราจะบอกหลักในการดำเนินชีวิตเขาจะได้หลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพฤติกรรมที่เขาไม่มีศีลเราจะให้เขามีให้เขาดาเนินไปตามศีลเขาจะได้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยไร้โทษนานประการ กระแสะความคิดของเขาที่ถูกกิเลสกุ้มลุมอยู่เราจะบอกวิธีการเข้าถึงความ ก, วกล้าบอกวิธีถึงการเข้าถึงสติบอกวิธีในการให้เขาเข้าถึงสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตเขาจะได้สงบระงับบาปทางจิตใจได้ทัศนะความเห็นที่เขาวิปริตผิดเพี้ยนเราจะให้สัมมาทิฏฐิกับเขาเราจะให้ความดลหมี่ชอบกับเขาเราจะปลูกปัญญาให้เขาเราจะติดอาวุธคือปัญญาให้เขา ในกระแสชีวิตของเขาให้เขามีปัญญาเป็นหลักในการดํำเนินชีวิตนับตั้งแต่วินาทีนี้ที่เขามารู้จากเรานี่เป็นต้นนี่ยเราได้เคยปลูกกับประเด็นความคิดแบบนี้ว่าจะให้ทั้งวัตถุทานอภัยทานและธรรมทานเคยคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้แปลว่าเราต้องการจะทํากรรมอะไรเนี่ยเราจะทํากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเราจะประกอบมรรคขกรรม และเราจะชัดเจนในเส้นทางนี้และเราจะสมาทานให้ตั้งมั่นเราจะเชื่อมั่นศักยภาพของพระเจ้าเราเชื่อมั่ น, นในสัมมาสัมโพธิญาณของพระเจ้าเชื่อมั่นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าจริงๆเชื่อมั่นไหมพระเจ้าแทงตลอดอริยสัจ4ี่ได้จริงเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเชื่อไหมว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถบ่มเพาะญาณปัญญาจนสามารถแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4ได้ด้วยตนเองเนี่ยนักควงไม้โพธิพฤกษ ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมา20อสงไขยิ่งด้วยแสนมหากัมมีทานบา ร, รมีจนถึงเวขาบา ร, รมีเป็นที่สุดพระองค์ดําเนินไปตามมัชิมาปฏิบัติอย่างยิ่งยวดอย่างยิ่งใหญ่ไม่ย่อท้อในที่สุดจริงๆก็สามารถค้นเจอขนทางนี้ประชุมขนทางนี้ได้ทำมรรคกรรมให้เกิดขึ้นได้ประชุมอริยมรรคตัดกิเลสเป็นสมุดเฉทัพหารได้ตรัสรู้นุตราัมมาสัมพุิธญาณเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆเชื่อมั่นในพระสัพพัญญตญาณปัญญายาณเหล่านั้น เชื่อมั่นในโพธิญาณนั้นนั้ น, น, นจริงๆเชื่อไหมเชื่อหรือไม่เชื่อความเชื่อนี้ไปเชื่ออะไรในพระพุทธเจ้าไปเชื่อมั่นปัญญาญาณของท่านที่แทงตลอดอยายสัสีเชื่อมั่นว่าพระองค์แทงตลอดทุกใช่ไหมทำปริญญาในทุกจริงจริงทำทั้งยาตะปริญญาในทุกข์ตีระนปริญญาและปะหานะปริญญา พระองค์ทํายาต่ปริญญาในทุกขสัตว์ทํายาต่ปริญญารู้จักรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถทําตีรณปริญญาด้วยในสัตว์จะเหล่านั้นมีทุกเป็นต้นโดยการไปแยกแยะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็ไปทําปะหานปริญญาคือละกิเลสแล้วก็ละกองทุกได้หมดสิน้น ละกิเลสด้วยนะทำกิเลสให้นิพพานด้วยทำขันให้นิพพานด้วยแม้พระธาตุที่ยังอยู่เป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นที่กําจัดภัยให้เราอยู่ในบัดนี้เดี๋ยวอีกการข้างหน้าพระธาตุเหล่านี้ก็จักปรินิพพานเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราเชื่อมั่นนี้ไหมเชื่อมัน่นปัญญายานของพระเจ้าหรือไม่เชื่อมัน่สนสมเนเชื่อมัทีนี้ พอไปเชื่อมั่นปัญญายาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นโพธิยานของพระพุทธเจ้าทีนี้เราปรารถนาอยากจะได้โพธิโพธิยานอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บ้างไหมทีนี้ถ้าปรารถนาอยากจะอยากจะได้ตรงนั้นเราก็ต้องฟังใช่ไหมฟังอะไรฟังโพพุทธฟังโพธิยานของท่านว่าโพธิยานท่านบอกอยังไงฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ถ้าเราชัดเจนในตัวเองแบบนี้ปุ๊บ เอาละเราจะไม่เดินช่องทางกรรมดําจะไม่ทำอีกต่อไปกรรมขาวที่เป็นไปในวัตฏะก็ไม่เอากรรมทั้งดําและขาวมีวิบากที่ดําและขาวค้าเข้ า, ขากันไปก็ไม่เอาเส้นทางนั้นแต่เราจะเดินเส้นทางที่เป็นกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเออตรงนี้ชัดไยังถ้าหากว่ามีปณิธา น, นแน่วแน่ชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บ เราก็เกิดความเกิดพลังขึ้นมาเกิดกำลังใจขึ้นมาเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าเส้นทางนี้เราจะเดินเส้นทางนี้แหละตัดวิจิกิจฉาได้ยังสัมมณจวิจิกิจฉาถูกทาลายได้ด้วยอะไรถูกทาลายด้วยตัวศรัทธาแต่ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรต้องข้อมูลใช่ไหม ต้องมีศรัทธาและมีปัญญาโดยเฉพาะปัญญาหลยไป ต, ตัวตัดวิชิกิจฉาโดยตรงใช่ไหมเพราะว่าถ้าได้ข้อมูลเบเสร็จปุ๊บชีวิตจะลังเลไหมเพราะเรารู้เส้นทางว่ากรรมดํามันเจ็บปวดยังไงกรรมขาวก็เจ็บปวดในสังสารวัตกรรมทั้งดําและขาวก็เจ็บปวดในสังสารวัตรมันรู้เบื้องต้นทํากลางที่สุดของเส้นทางสามเส้นทางนั้นแล้วมนุษย์ไม่เดินแล้วถ้ารู้จริงๆแล้วผลักให้เดินมันก็ไม่เดิน ไอ้ที่มันยังลังเลอยู่แปลว่าอะไรมันรู้ไม่พอมันรู้ไม่รอบมันรู้ไม่ชัดมันรู้ไม่ลึกเข้าใจนะถ้ารู้พอรู้รอบรู้ชัดรู้ลึกพักให้เดินเนีนไปเลยไปไปเดินทางนั้นไปัหมถ้ารู้เส้นทางนี้เดินไปปุ๊บมันจะตกลงเหวไอ้ตกลงเหวไม่พอข้างล่างมีดดาบเสียบเต็มหมดเลยอย่างนี้เอาไหมละ่ะอีกเส้นทางหนึ่งเหมือนกัน ว่างั้นเด้อมันเหมือนอย่างนี้นะว่าเหมือนกินอาหารเน้นบอกว่าถ้าเนนชอบน้ำพึ่งนะเน้นชอบไหมน้ําพึ่งน้วไม่น้นชอบมั้ยยอมชอบน้ำพึ่งมั้ยอ่าน้ําพึ่งนี่หวานไหมถ้าเขาเอาน้ําพึ่งเนะ่ะอาบหรือลาดกันไปค ม, มิดโกนแล้วให้เราเอาลิ้นไปเลีย เลียที่คมอีกโกลมันได้ความหวานด้วยแล้วลิ้นขาดด้วยเอาไหมกามาคุณเป็นอย่างนั้นแกจี้ยศยชื่อเสียงเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่เราฟุดเข้าไปในลิ้นมันก็จะขาดมันก็จะขาดทุกครั้งที่เราได้รสหวานก็นแลกมาด้วยความเจ็บปวด ทุกครั้งที่เราได้ความเป็นมนุษย์ทุกครั้งที่เราได้ลาบสกาละมันก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดเจ็บปวดยังไงความแก่ความเจ็บความเจ็บไข้ความพัดพลากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความที่สิ่งเหล่านั้นจะต้องวิบัติน่มันแลกมาด้วยอย่างนั้นมันมีนะรสหวานเนะี่ยแต่มนุษย์ก็กล้าที่จะแลกมันรู้ทั้งรู้ว่า มันจะต้องพัดพลากอยากจะได้บุตรอยากจะได้ภรรยาอยากจะได้สามีอยากจะได้ความงามทั้งๆ ท, ท, ที่ก็รู้ว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงเลยแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแล้วมันก็ตามห้ด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับการที่เราแลกจากการที่เราใช้ลิ้นเลียกินน้ำผึ้งบนคมของมิตรโกลยังอยากจะกินอีกไหม ยังไม่เข็ดหรอกยังเอาต่อนะทำยังไงกินยังระบ้าง <c oughs> เป็นไปได้หรือโมหะมันปิดบงังมีใครไหมที่จะไม่ตะกุมตะการกับกรรมคุณมีไหมหล่ะ ไม่มีเลยไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะแต่งงานกับคนคนนี้แล้วต่อไปมันจะเจ็บปวดมันจะผิดหวังมันจะกระทบกระทั่งมันจะเดือดร้อนฉันมีลูกแล้วเราจะเครียดจะวิตกกังวลมันเคยคิดไหมก่อนหน้าที่จะมีแต่ที่ไหนได้พอได้มาแล้วเป็นไงการมีแม่มีลูกมันเจ็บปวดไหมเล่านั่นแหละที่เจ็บปวดนะตอนนั้นกําลังโดนแผลที่ลิ้นมันขาด กระดิ้นปัดปั๊ดปปั๊ดมาแล้วก็ดิ้นกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่ามันขาดเรียบร้อยไปแล้วไม่เห็นนี่เห็นไหมพยายามพูดนี่ยังไม่เห็นนี่เห็นนี่ยังแล้วมันเป็นแฉกมันแล้วลิ้นนี่ลิ้นเนี่ยมันยังจะไปกินต่ออีกยังไม่เข็ดอีกแล้วยังหวังว่าวันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะสมหวัง หวังว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมหวังว่าตามันจะดีขึ้นหูมันจะดีขึ้นจมูกมันจะดีขึ้นลิ้นมันจะดีขึ้นสมองมันจะดีขึ้นร่างกายมันจะดีขึ้นมีใครหวังไหมว่าแย่ yeah, ลงวิบัติแน่ตอนนี้โดนมิตกนเฉือนมันจะเจ็บดิ้นกระสับกระสายตลอดเวลาที่สุดจริงๆก็ดิ้นพัดพัดพที่สุดจริงก็ตายตายแล้วก็ไปเลียลิ้นเลียอมิตร น้ำพึ่งในขอมิดโกนใหม่แล้วก็ดิ้นปึ๊ดปๆ๊ดป ด, ปดหนก็ตายลงไปแล้วก็ไปเลียเหมือนอยากโง่ดินะ้นฮักเลียไม่จบไม่สิ้นเข้าใจคำนี้ไหมโง่ไม่จบไม่สินนสน้นเพราะงักก้นน่ยโง่ยกกำลังสองยกกำลังสามยกกำลังสี่และยังปรารถนาอยู่นั่นแหละเห็นไหม แสวงหาอะไรแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแสวงหาความตายเป็นธรรมดาแสวงหาความแก่เป็นธรรมดาแสวงหาความเศร้าหมองเป็นธรรมดานคือปุถุชนนะเออปุถุชนผู้มูดบอดก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้แหละแสวงหาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอยู่เงี้ยพระพุทธเจ้าท่านคิดมุมนี้ไงเอ๊ะ ก็บุคคลน่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ทําไมท่านต้องมาแสวงหาความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วอะไรเรียกว่าแสวงหาความแก่เป็นธรรมดาเราเนี่ยถามว่าเราเป็นคนแสวงหาความแก่เป็นธรรมดาแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาความแก่เป็นธรรมดาแสวงหาความเก็บไข้เป็นธรรมดาแสวงหาความตายเป็นธรรมดาไหมเราอยู่ในจุดนี้ไหมเราเป็นคนกลุ่มนี้ไหมเป็นไม่เป็นอ่ะเป็นยังไง เรามีความเกิดเป็นธรรมดาไหมและเราแสวงหาความเกิดไหมการแสวงหาบุตรแสวงหาภรรยาแสวงหายาแสวงหาทรัพย์แสวงหาเงินแสวงหายศแสวงหาทรัพย์สมบัติชื่อว่าเป็นการแสวงหาความเกิดไหม แสวงหาความแก่ไหมเมื่อจิตไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นตัณหาไปกุ้มรุมกับสิ่งเหล่านั้นแล้วตัณหามันจะหมดไหมมันเพิ่มหรือมันมันยิ่งเพิ่มหรือยิ่งลดเมื่อยิ่งเพิ่มแล้วตัณหามาณทิฏฐิอวิชชาตัณหาปราทานมันเพิ่มอยู่ในกระแสใจของสัตว์ทั้งหลายแล้วสัตว์ทั้งหลายต้องไปเกิดบ่อยๆไปแก่บ่อยๆไปเจ็บบ่อยๆไปตายบ่อยๆไหมนั่นแหละชื่อว่าแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดา มันก็เข้าถึงความเกิดบ่อยๆเขาเรียกธรรมดาของสัตว์ก็เลยเป็นแบบนั้นธรรมตาของเขาจึงเป็นแบบนั้นจึงต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายบ่อยๆไปเศร้าโศกบ่อยๆไปผิดหวังบ่อยๆไปเจ็บปวดในสังสารวัฏบ่อยๆเพราะเขาแสวงหาอะไรแสวงหาบุตรภรรยาทั้ง น, นั้นชื่อว่าแสวงหาความเกิดแสวงหาความแก่ด้วยแสวงหาความเจ็บไข้ด้วยเมื่อป ร, รารถนาเกิดแล้วก็ตายด้วย แล้วแล้วแสวงหาบุตรมันเกี่ยวข้องอะไรกันและก็ตั้หามาหน้าที่ถีเป็นตัวผลักดันให้แสวงหาใช่ไหมเล่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาถามว่าก็ต้องทำแล้วไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วทากรรมไปสู่ความเกิดหรือทํากรรมไปสู่ความไม่เกิด <c oughs> นี่ชื่อว่าแสวงหาความเกิดแล้วเมื่อเป็นในกรณีอย่างเนี้ย พระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าเมื่อเรามีความเกิดเป็นธรรมดาฉนไหนเราจึงต้องแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเรามีความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วทําไมเราจึงแสวงหาความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองอยู่แล้ว แล้วอะไรชื่อว่าแสวงหาความเกิดแก่เจ็บตายก็แสวงหาบุตรแสวงหาภรยาแสวงหาทราบแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการแสวงหาความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองแล้วมันจะจบเป็นไหมอยากกันนั้นเลยเพราะเรามีความเกิดเป็นธรรมดานี่แหละเราจะแสวงหาพระนิพพานที่มันไม่ที่ดับความเกิดได้เพราะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะแสวงหาพระนิพพานที่เป็นสภาพของความดับความแก่ เรามีความเจ็บไข้เราจะสแสวงหาพระนิพพานที่เป็นสภาพดับความเจ็บไข้เรามีความตายเรามีความเศร้าหมองเพราะกิเลสเราจะสแสวงหาพระนิพพานที่จะได้ดับความตายและดับความเศร้าหมองเพราะกิเลสนี้ให้ได้พอท่านตั้งปณิธานอย่างนี้ปุบ๊บท่านจึงเลิกละในการสแสวงหาบุตรภรรยาญาติมิตรท่านมาสแสวงหาธรรมะใช่ไหมสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้ดับความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นอย่างนี้นะ เออเราได้คิดอย่างนี้บ้างไหมนี่พระเจ้าคิดให้เราดูคิดให้เราเห็นคิดให้เราคิดให้เป็นแบบอย่างแกเราใช่ไหมท่านก็เลยมามองว่าโอ้เนี่ยที่ท่านออกบวชเนี่ยบําเพ็ญเนี่ยบําเพ็ญเนคขมาเนี่ยแปลว่าท่านสแสวงหาอะไรนั่นแหละท่านสแสวงหาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายเป็นต้น ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาสันติวารบทสิ่งประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าคือทางอันประเสริฐสงบที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคตชนบทตามลําดับ ท่านก็ บ, บรุถึงอุรุเวลาเสนานิอมในที่นั้นเราได้พบเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมมีภัยสนน่าชื่นใจมีแม่น้ำไหลเย็นจืดสนิทมีท่าราบเรียบริมฝั่งราบเหมือนชายหาดทรายเป็นที่น่าเพลินใจและมีหมู่ป่าหมู่บ้านสำหรับโคจรอาหารด้วยตั้งอยู่โดยรอบเราเห็นแล้วคิดว่าสถานที่เช่นนี้แหละ สมควรเป็นที่บำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการจะบำเพ็ญเพียรนาะเนี่ยท่านคิดมีท่านแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดท่านต้องการหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระโพธิสัตว์ก็ประทับอยู่ที่อุรุเวลาประเทศนั้นแหละนักบวชกลุ่มปัญญวคีรู้ข่าวแล้วก็ติดตามมาอุปถากใช่ไหมช่วงนั้นใช่ไหมเนี่ยถ้ามองระยะอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าอ๋อ สรุปก็คือว่าตอนที่ท่านออกบวชนีตอนที่ท่านออกบวชเนี่ ย, ออยสรุปได้อย่างนี้ท่านปองผมและหนด ว, วดแล้วก็บวชแล้วก็พำนักอยู่ที่อนุปยะอัมภวันอยู่7วันอนุปยะอัมภวันแล้วก็ต่อมาเสด็จกรุงราชคลึ้ตอนนั้นประชาชนก็แตกตื่นเห็นนักบวชแล้วก็พระราชาพิมพิสารก็ สเสด็จมาพบนั่นก็1วันได้สนทนาเพื่อจะชวนให้ศึกออกไปครองเมืองท่านบอกว่าท่านสแสวงหาโมกะธรรมท่านท่านสแสวงหาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายแล้วต่อมาท่านก็ไปอยู่กับอาราละดาบทกาลามาโคตเจวันแล้วได้ฌานสมาบัติที่จริงท่านได้พอไปสนทนาปุ๊บจบการสนทนาท่านก็ทําอากินจัญญยาญยาณฌานให้ได้เลย ได้รูปประชานสี่แล้วก็อาร ป, ประชานอีกสามได้สมาบัติเจ็ดทันทีเลยเมื่อเมื่ออาราลาดาบทกาลามโคตพูดจบพอจบประโยคเนี่ยท่านบอกว่าอ๋อที่ท่านอาราลาดาบทกาลามโคตเนี่ยได้สมาบัติเจ็ดเนี่ยเพราะว่าท่านมีศรัทธาเพราะว่าท่านมีความเชื่อมั่นท่านมีความ ก, วกล้าท่านมีสติท่านมีสมาธิ ท, าาธท่านมีปัญญา อ๋อศรัทธาความเชื่อมั่นในเราก็มีความแกล้งกล้าในเราก็มีสติในเราก็มีสมาธินในเราก็มีปัญญาในเราก็มีแล้ว ก, ก็ให้อาหารเกิดขึ้นมาก็พอท่านคิดอย่างนี้ปุ๊บท่านกระทาปุ๊บได้ทันทีเลยแป๊บเดียวเองเห็นไหมแล้วท่านก็อยู่เจ็ดวันอ ย, อยู่อยู่อยู่เจ็วันอยู่เจ็ดวัน ท่านเขาก็ชวนว่าเป็นอาจารย์ด้วยการสอนสี่ตัวเนี่ยจบแล้วหลักสูตรสมาบัติท่านได้หาคนยิ่งท่านกับเราเสมอกันเลยเนี่ยเราจะยกท่านในฐานะอาจารย์ด้วยท่านกลับเห็นว่าเนี่ยอากินจัญญายาตนาชานเนี่ยกรรมประเภทเนี่ยปฏิปทาอย่างนี้ชานไอสมาบัติแบบเนี้ยถ้ารักษาไว้คงไว้ตายแล้วก็ไปเกิดในอากินจัญญายาตนาพเป็นอากินจัญญาญาตนาผมไม่ใช่นิพพาน ไม่ใช่เหตนทางความพ้นทุกข์ท่านเห็นเหตุปุบรู้ผลเหมือนเราจะขับรถปุบรู้ทันทีจะกลับบ้านเห็นบ้านเลยมันเคยท่องเที่ยวมาเยอะแยะหมดแล้วในสังสารวัตรมันเห็นมาหมดแล้วฉลาดในเหตุฉลาดในผลหมดแล้วเข้าใจไหมไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่หตทางไม่ใช่ปฏิปทาก็ปฏิัตาให้เขทุความแบบทุกข์แต่ไปแค่อากินญาญาณตนะภพก็ทาเหตุแบบนี้ก็ต้องไปเกิด ไม่เห็นหลุดพ้นอะไรเลยก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งเท่านั้นเองชัดไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปอยู่ในไปที่ได้ข่าวอุทธกาดาบทลาบมาบทเขาเจ๋งเขาแน่นียุคนั้นท่านก็ไปเลยลาไปแล้วไม่เอาพอไปถึงอุทธกาดาบทลาบมาบทบอกว่าบางกัมพีบอกว่าส ำ, ำนักเนี้ยได้สมาบัติแปด คือเนวะสัญญ า, านาสัญญายะตะนะแต่อาจารย์ของท่านเน่ยเป็นผู้ได้ตัวท่านยังทําไม่ได้อยู่กําลังทําอยู่อาจารย์บอกแบบเนี้เพราะท่านฟังปุ๊บท่านทําได้เลยได้เสร็จปุ๊บก็เลยบอกอุทกดาบทลามาวุลทำอย่างนี้ปุ๊บเงี้ย <c oughs> ก็เลยได้เงี้ยเป็นต้น <c oughs> แต่ท่านก็เลยบอกว่าเขาก็ชวนหึงั้นเราเป็นอยู่ในฐานะเราจะยกท่านในฐานะอาจารย์ท่านบอกไม่เอา เนวสัญญานาสัญญายาตนาชานเนี่ยมรคนี้หนทางนี้เส้นทางนี้ปฏิปทานนี้ข้อปฏิบัตินี้ได้แบบนี้แล้วเนี่ยที่สุดของเขาคือเนวสัญญานาสัญญายาตนาพเป็นเนวสัญญานาสัญญายาตนาพรมเป็นอรูปภพชนิดหนึ่งที่ไม่มีลูกมีแต่นา ม, มารมไม่ใช่นิพพานไม่ใช่หนทางในการดับทุกข์ เห็นไเห็นทันทีไหมท่านก็อยู่เจดวันเขาชวนไงท่านก็บอกไม่ใช่ท่านก็บอกว่าเราจักไปแสวงหาสันติวรบทคือพระนิพพานคือแสวงหาความพ้นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ท่านก็จาริกออกมาแล้วก็เสดจาริกไปตามมคธชนบทไปจนพบอุรุเวลาตำบลอุเวลาเสนาในกคมบริเวณเขาดงเกษรี รวมเวลาก็คือ32วันหรือราวๆ1เดือนเนี่ยนับตั้งแต่บวชนักบวชปัญญวคีก็มาดูแลแล้วมาอุปถาคเนี่ยลักษณะอย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าอ๋อตอนที่ท่านอัญญาโกนธัญญาพราหมณ์เนี่ยใช้ไปกับการชักจูงรอคอยให้บุตรพราหมณ์เหล่านั้นตัดสินใจในบวชก็ได้ที่ทําละมองนี้ก็คือว่า ท่านเสด็จออกวินตร e a r แล้วก็ถึงตำบลวเวลาดำริว่าภูมิภาคเนี้ยเป็นรามานียสถานที่นี่เหมาะสมแก่กุลบุตรผู้มีความต้องการบาเพ็ญเพียรที่จะอยู่ทำความเพียรหน้าที่ตรงนี้ตอนนั้นวรนัญญาเป็นต้นได้ขาวก็พากันมาถามทั้ง5้าเนี่ยทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้ก็คือว่าจะได้รู้ว่าพระโพธิสัตว หรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเนี่ยท่านมีปัญญาคิดอ่านในลักษณะอย่างนี้ท่านก็เห็นเห็นความจริงตรงนี้เพราะต่อมาเนี่ยแปลว่าในยุคนั้นเนี่ยวิธีการบำเพ็ญเพียรทั้งหลายเหล่านี้ท่านใครได้ดิบได้ดีที่ไหนท่านไปศึกษาแล้วที่มันเหลืออีกวิธีหนึ่ ง, งใช่ ที่กล่าวไว้ในพระสูตรไม่ว่าในปาสราสีสูตรในมหาศีีนาทสูตรเป็นต้นเหล่านี้นะลำดับแห่งการบำเพ็ญทุกรกระกรรมเขาเรียกอัตตะ ก, กิรสมาฐานุโยกที่ท่านบำเพ็ญที่ตะ บ, บนุรูเวลาเสน า, นานิคมเนี่ยที่ปรากฏอยู่เนี่ยใน3 ส, สูตรเอามาสรุป ย, อย่อๆนี่อุปมา3ข้อเนี่ยอันน่าอาัศจรรย์อย่างยิ่งเราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าวิธีที่หนึ่งเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควร กดฟันด้วยฟันคำว่ากดฟันด้วยฟันทำไปไหมใช้ฟันกดเข้าหากันกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดุลเพดานลองทำไปด้วยนะข่มจิตด้วยจิตคำว่าข่มจิตด้วยจิตเนี่ยอัตถกาถาท่านบอกข่มอากุศ ล, ลจิตด้วยกุศ ล, ละจิตคือใช้ลิ้นดุลเพดานแล้วไม่พอ ใช้กุศล จ, จิตคมไม่ให้ราคะโทสะโมหะเกิดด้วยคมป่ะคมแล้วก็คือว่าทำจิตให้เราร้อนแล้วเราก็ปฏิบัติตามที่คิดนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นและเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีกำลังจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศรีรษะหรือที่คอแล้วก็กดบีบไว้ให้แน่นฉะนั้น เราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันได้ฟันใช้ลิ้นดุนเพดานไว้เหงื่อก็ไหลออกจากรักแล้เราปาราบความเพียรอย่างไม่ย่อย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเห็นไหมสติไม่ฟั่นเฟือนเลยนะทําขนาดนั้นเนะี่ยแต่เมื่อกายของเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากใช้คําว่าทุกข์ขับปะธานีนะเนี่ยนั้นเนี่ย ความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเนี่ยเสียแทงอยู่กายของเราก็กวนกวายไม่สงบกายนียกวนกวายไม่สงบแต่ใจเป็นยังไงใจตั้งมั่นใจท่านตั้งมั่นเพราะท่านข่มอากุศลจิตด้วยกุศลจิตมีสติตั้งมั่นกายต่างหากที่มันกระสับกระสายแต่ท่านก็รักษาใจไว้ไม่ให้ใจมันเสีย นี่วิธีที่หนึ่งเอาวิธีที่สองกั้นลมหายใจทางปากและทางจมูกแปลว่าเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราความบําเพ็ญฌานอันไม่มีลมปานคือเข้าสมาธิเลยว่างั้นเถ อ, อะคือไม่มีลมหายใจกั้นลมหายใจเรานั้นกั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ทั้งทางปากและทางจมูกไม่ให้ลมออกทั okay. ้งสองทางเนี่ยไม่ให้ออกทั้งสองทางเลยนะเมื่อเราการลมหายใจอย่างนั้นลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างเสียงดังอูดแปลว่าลมออกหูเลยว่างั้นเถอะมันหาที่ออกมันหาที่ออกเปรียบเหมือนเสียงลมที่ช่างทอง สูบอยู่อะเขาสูบทองฟูฟูฟูออกนั่นเลยที่เขาเป่าท้องอะฟูฟูฟอ่ะลองการในี่ออกหูดิการเราไม่ออกหูได้ไหมปิดทางทางปากให้มันออกหูอะจะมือจับไว้ก็ได้เนี่ยแต่มงคนทำแล้วป่วยเลยเนะี่ยเพราะโพธิสัตว์ร่างกายท่านแข็งแรงมากสุขภาพท่านดีมาก แม้ชั้นใดเราก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อกลั้นลมหายใจทั้งทางปากทั้งทา ง, ท ง, ทงจมูกก็มีลมออกจากหูทั้งสองข้างดังอู้ออยู่เราปาราบความเพียนไม่ย่อย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่บาปเกิดแต่เมื่อกายของเราถูกความเพียนที่ทนได้ยากเสียดแทงอยู่กายของเราก็กวนกระวายไม่สงบเลยครับแรงไหมทำแบบนีแรงไหม ไม่ใช่หยุดแค่นั้นเอาวิธีที่สามกั้นลมหายใจทางปากทางจมกูกและทั้งช่องหูในครั้งที่หนึ่งกั้นแล้วเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบําเพ็ญฌานที่ไม่มีลมปานเถิดเราก็กั้นลมหายใจเข้าออกทั้งทางปากจมกูกทางหูลมที่แรงกว่านั้นอีกเสียดแทงวิ่งขึ้นข้างบนเลยทีนี้เพราะไม่ออกหูนะพราะปิดที่หูไว้นั่นวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นไหนกระแทกศรีรษะเลยปึ้งปึ๊กปึ ก, ป, ก, ป, กปึกเลยนี่ เหมือนมีดเนี่ยวิ่งกระแทกเลยอ่ะกระแทกเลยนะเปรียบเหมือนกำลังถูกคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมแทงศีรษะปึกปึกๆอยู่เคยไหมล่ะเคยเพียนขนาดนั้นไหมล่ะเนี่ยเราจะได้รู้จักพุทธคุณว่ากว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจะได้สำนึกในพุทธคุณว่าถูกแทงขนาดเนี้ยปึกปกปกปักก น, นเนี้ เอาวิธีที่สี่วิธีที่สี่นี่กล il ga ั้นลมหายใจเข้าออกทั้งปากทั้งจมูกช่องหูนี่เป็นครั้งที่สองที่ทํำนะแล้วก็ใช้เวลานานกว่าเดิมที่แรกมันนานอยู่แล้วใช่ไหมกระทุ้งตึงตึงตึงตึงตึงตึงเจ็บทรมานมากอ๋อให้นานกว่าเดิมอีกให้มันทะลุให้ได้ทนให้ได้วังั่นเถอะทีนี้ เรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบวมเป็นชานที่ไม่มีลมปานเราก็กั้นลมหายใจเข้าออกทั้งช่องปากจมูกและหูเกิดทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าเพราะอะไรเพราะลมออกทางใดทางหนึ่งมันไม่ได้ลมมันออกไม่ได้เปรียบเหมือนกําลังถูกคนที่แข็งแรงกว่าใช้เชือกรัดที่ศีรษะแล้วขันชนะ ปวดมากเลยแต่เนี้ยเหมือนบีหัวให้แตก น, น, นะอย่างนั้นเลยเหมือนเชือกมัดเลยแต่เนี้ยเพราะว่าทนนานกว่าเดิมไงที่แรกแค่แค่เหมือนเหล็กแหลมกระทุ้งปึ๊กปึกปก ป, ก ป, กปกอันนี้เหมือนเชือกขันสนอเลยเนี่ยเวลาเราทุกขเวทนาแล้วเราจะได้นึกถึงพุทธคุณนึกถึงพระพุทธเจ้าและเราจะได้ทนได้เราจะได้ยอมรับได้เราจะได้ไม่ใจส่อ พูดอย่างนี้เริ่มเห็นคนของพุทธาาิยาวังยังเห็นไหมกว่าจะได้มาได้มาด้วยด้วยความเพียนที่ต่อเนื่องกล้าๆไหมต้องเพียนย่างไม่ย่อหย่อนไหมได้มาด้วยมักน้อยในกุศลหรือมกักมต้องไม่ใช่มักน้อยเออวันนี้ทำแค่ชั่วโมงวันนี้จะเดินกุศลแค่ห้านาทีสิไม่ใช่เลยติดต่อแล้วเพียนยังติดต่อด้วยอุกฤษด้วย เอาวิธีที่5กลั้นลมหายใจเข้าทางปากไม่ลมออกทางปากทางจมูกและช่องหูนี่ครั้งที่3ใช้เวลานา น, านกว่าเดิมอีกเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบําเพ็ญฌานที่ไม่มีลมปานก็กลั้นลมหายใจเข้าแล้วออกทั้งทางช่องปากจมูกและหูเกิดแรงลม้มแรงก้าเสียดมันวิ่งกลับเลยตอนี้ออกข้างบนไม่ได้วิ่งกลับข้างล่าง วิ่งมาที่ไหนช่องท้องเหมือนมีดเลยเดียเยนีย้เหมือนคนฆ่าคอหรือลูกมือนคนฆ่าคอจำนายใช้มีดปาดเชื้อท้องโคอโอ้โหท้องนี่วิ่งเป็นคลื่นเลยมันหาทางออกไม่ได้ก็เห็นไหมก็เห็นท้องมันท้องคนมันกระเพื่อมแบบนี้ไหมเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ ง, งมันหาทางออกไม่ได้ลมมันเหมือนเหมือ น, นพายุอะ บ, บุบบุบบุบบบ บ, บ, บ, บ, บที่ท้องอ่ะแค่เห็นไม่ได้นั่นแหละอวัยวะแทบขาดเลยเนะเนี่ยมันมันคมนะบางคนนี่บางคนคอนโผลไม่เป็นเนี่ยลมตัดขั้วหัวใจขาดตายเลยเนะยเข้าใจยังไอ้ที่ว่าโรคลมชักเนี่ไเนี่ยคนที่โรคลมชักนจะเข้าใจนาเนี่ยพุระเจ้าเนี่ยจากนั้นท่านมาอีกแต่นี้ก็เอาละเราจะบำเพ็ญความเพียร น, นึกถึงพุระเจ้านี่ ขนาดนั้นเลยเพราะใช้เวลานานกว่าเดิมมันวิ่งกลับเอาครั้งที่หกกั้นลมหายใจทางปากทางจมูกและช่องหูเป็นครั้งที่สี่แล้วใช้เวลานานกว่าเดิมอีกเรามีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบ่มเป็นฌานอันไม่มีลมปานเถิดเราก็กั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกทางช่องหูก็เกิดความกวนกวายในร่างกายอย่างแรงกล้าเปรียบเทเหมือน ถูกบุรุษนี่เนอะสองคนที่มีกำลังกว่าเนี่ยจับแขนไว้คนละข้างแล้วเอาไปจับตัวยกขึ้นมาเอาไปย่างบนหลุมทานเพลิงเป็นไงทอนนี้เอาไปลุมทรมานทั้งตัวเลยไ้มมันไม่ใช่มันไม่ใช่ล้มอย่างเดียวมันไปกระตกธาตุไฟขึ้นมาเขาอีก โอ้โหเหมือนยา่างบนเตาเพลิงเลยแต่เนี้ยร้อนทั้งหมดเลยเนี่เข้าใจยังร้อนบ้างท่านบอกว่าเราปารบความเพียนไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อกายของเราถูกความเพียนที่ทนได้ยากเสียแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบตอนนั้นเนี่ย หมู่เทวดาสนธนากันบอกว่าพ่อโพธิสัตว์ตายหรือยังตายหรือยังไอ้ทรมาน่างนี้ตายแล้วมัง้งตายแล้วมัง้งคืนจ้องดูกันเลยโอ้โหเฮ้ยไม่เหลือเฮ้ยไม่เหลืออีกคนก็ไม่นาะยยังยังอย่างนี้ตายไม่เหลืออย่างเงี้ยนะเข <c oughs> ้าใจไหมเออเฮอบางพวกเขาบอกว่าสิ้นพระชนบางพวกก็ยังไม่สิ้นพระชน เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็บางกลุ่มก็ไปแจ้งข่าวแกพนะ่พระเจ้าสุดโตนะพระเจ้าสุนท้นะก็ไม่เชื่อเอาวิธีที่เจ็ดทำไงต่อทรงอดอาหารทุกอย่างเริ่มตั้งแต่แะไรเสวยน้อยลงน้อยลงจนไม่กินเลยท่านมีความคิดบอกว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างดีกว่าพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเทวดาก็บอกว่า เทวดาที่ดูแลพระโพธิสัตว์เนี่ก็เข้ามาหาเราเพราะข้าแต่ท่านพุทธนรทุธท่านจะได้อดอาหารเลยว่างั้นเถอะถ้าท่านอดอาหารนะพวกเราก็จะแทรกเอาโอชาที่เป็นทิพย์มาแทะเข้าไปสู่ในรูคุมขนท่านท่านก็อยู่ได้เพราะบุญท่านทํามาเยอะท่านบารมีท่านทํามาเยอะเราทนเห็นท่านทุกทรมานไม่ได้หรอกเราจะเอาโอชาเอาอาหารที่เป็นทิพย์เนี่ยมามาทาตามตัวท่าน โอ้ถ้าอย่างเราก็สบายเลยนั่งอวดคนอื่นเลยท่านี้ <c oughs> ใช้พวกกลุ่มพวกนี้เขาฤาษีบางกลุ่มเนี่ยใช้อใช้ใช้จิตเนี่ยใช้สมาธิเป็นเรดาร์ดึงวิตามินกลางกาศวิจัยูวิตามินลงในอากาศลงสู่กระเพาะได้เลยเขาไม่ต้องกินอาหารได้ในะพวกนั่งเป็นเดือนเป็นสองเดือนก็มีพวกในฤาษีเกศที่ที่ที่เดียนทุกวันก็ีอืม เนี่ยอยากได้ไหมล่ะใช้กระแสจิตเป็นเลดาวิจัยวิตามินในอากาศลงสู่กระเพาะเนี่ยนะไหมอยากได้วิธีนี้ไหมโอ้สุดยอดเลยเขาก็แค่นี้เองเแต่ก็ไม่ได้ลากกิเลสอะไรนะนะอวดทีนี้พอหลังจากจะแจกอาหารแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่า ท่านจะได้มีชีวิตอยู่ก็บอกว่าท่านก็ได้มีก็เท่ากับว่ามูสเราจรึงกล่าวห้ามเทวดาว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยถ้าทาอย่างนั้นเนี่ยชื่อว่าเราก็มูสาว่าเราควรกินอาหารให้น้อยลงก็เริ่มกินอาหารให้น้อยลงเพียงวันละหนึ่งฝายมือแล้วก็ลดลงมาลดลงมาลดลงมาจนเหลือเท่ากับเมล็ด เมล็ดบัวเมื่อเรากินอาหารน้อยลงกายก็ผ่ายผอมลงอย่างมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเรานั้นก็เป็นเหมือนเถาวันที่มีข้อมากเห็นเถาวันที่มีข้อเป็น ป, ป, ป, ป, ปมปมปมหหรือเถาวันที่มีข้อที่ดำดำอะ่ะก็เห็นเถาวันไหมเนี่ยเป็นปมปมปมเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกับกีบเท้าอูด ก็คือตะโพกไม่มีเนื้อแล้วกระดูกสันหลังก็ผุดเป็นหนามเหมือนเทวันซี่โครงทั้งสองข้างก็ปรากฏเหมือนกรอนสลาเก่าดวงตาทั้งสองข้างก็ลึกลงไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อนำลึกหลังศีรษะหนังศีรษะเหี่ยวเหมือนลูกน้ำเต้าที่ตัดจากเทาแล้วมา มาตอนสดๆแล้วก็มาถูกลมและแดดเผาแล้วเหี่ยวเพราะความไม่ความมีอาหารน้อยโอ้โหแต่นี้หมดเลยแต่นี้อาหารไม่เข้าไปในกระเพาะผอมหมดไหมโอ้โหกระดูกขึ้นสะพังหมดเลยท่านบอกเราคิดจะรูปหน้าท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดจะรูปหน้าท้องเนะืคิดจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงหน้าท้องติดกันเลย กระดูกสันหลังกับหน้าท้องติดเป็นอันเดียวกันเลยนั้นคนถ้าหากว่าลองลองเนื้อหน้าท้องไม่มีอะไรต่างแล้วมันหนังท้องมันไปติดกับสันหลังจับแล้วเนยมือจับได้หมดเลยจับติดกันหมดเลยเอาใครเคยพร้อมขนาดนั้นไหมลองทํำดูสิ เราคิดว่าจะรูปหน้าท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะรูปกระดูกสันหลังก็ติดหน้าท้องเพราะหน้าท้องของเราแนบติดกับกระดูกสันหลังเมื่อเราคิดจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะขยับกายก็เกิดส่วนเซล้มลงในที่นั้นล้มเลยลุกก็ล้มเลยไปไม่เป็นแล้วตอนนี้หมดแรงแล้ว เมื่อคิดจะให้กายรู้สึกมันสบายบ้างอยากจะให้กายมันรู้สึกสบายบ้างได้สุขเวทนะใช้มือมาสัมผัสรูปกายอะขนที่มีรากเน่าก็หลุดหลุดหลุดหลุดหมดนหลุดติดมือมาเลยขนหลุดแล้วไม่มีอาหารไงไม่มีขนไม่อยู่แล้วมันไม่มีอาหารก็เน่าใช่ไหมชนทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราก็พูดกันว่าโอโ้โหดำโอ้โหคลําโอ้โหผอมโอโดูเหมือนไม่เป็นคนแล้วเป็นซากแล้วเนี่ยเหลือแต่ซากแล้วเขามนุษย์มาเห็นพากันพูดกันอย่างนี้หมดเลยเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ย ผิวพันธ์ที่บริสุทธิ์ผุดพองมหาบุริษลักษณะทั้งหลายนะั้หายเกลี้ยงไม่เหลือไม่เหลือความงามอยู่เลยแต่เนี้ยเหมือนเราเคยเห็นรูปบำเพ็ญทุกการกริจไม่ปรางไหมนั่นเนี่ยอะไรปั้นออกมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยบำเพ็ญทุกการกริาทีนี้ท่านทําอยู่อย่างนั้นจนถึงที่สุดแล้วใกล้ใจจะขาดแล้วใจจะขาดตายถ้าหยุด ถ้าหากว่าเร่งไปนิดเนี่ยตายแหละไม่ทางนั้นถ้าไม่ทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งปล่อยไปอีกไม่เกินสิบยี่สิบนาทีก็ใจขาดตายแล้วท่านรู้แล้วเรามีความคิดว่าสมณะหรือพรามณ์เราใดเหล่าหนึ่งแนอดีตใครในอดีตที่บําเพ็ญมาที่ว่าจะอุกฤตมากกว่าเนี้ยไม่มีได้สูงสุดต้องได้แค่เนี้หรือแม้ปัจจุบันเนี่ยจะบําเพ็ญให้ยิ่งกว่าเนี้ก็ไม่ได้ได้แค่นี้ ระดับกําลังอย่างท่านเนี่ยหรือแม้ในอนาคตที่จะมาตรัสหรือจะมาบําเพ็ญก็ได้เพียงแค่นี้แหละทุกขกิริยาไม่มากไปกว่า น, นี้แล้วไม่ใช่เนี่ยโอย้สติกลับขึ้นมาเนียนี่ไม่ใช่หนทางการตรัสรู้แน่นอนถ้าตรัสรู้ต้องตรัสรู้แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วโอ้นี่อันนี้ชัดเลยนะเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติไงเนี่ยเป็นการปฏิบัติแบบประเภทที่อุกรฤษมากเป็นอัตตกิรมฐานุโยม เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนอันเนื่องมาจากการบำเพ็ญเพียรทุกกรรกิจหรือทุ ก, กเวทนาอย่างมากสุดเนี่ยได้แข็งเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้วราไงท่าทพิจารณาอย่างนี้ไปเสร็จไม่มีใครเกินกว่านี้ได้แม้เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศน์อันประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์นอกจากทุกกริยาเผ็ดร้อนนี่แล้ว ท่านก็พิจารณาเอ๊ะนอกจากทุกกะเลส ก, กิริยาอันเผ็ดร้อนอย่างแสนสหาหัสและหยาบกร้าขนาดนี้แล้วมีทางอื่นไหมหนอมีทางอื่นไหมหนาที่จะสามารถบรรลุสัมมาสัมพธิยานเป็นต้นได้เ น, นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมาแล้วที่นี่ในมหาศีนาทาสูตรบอกวิธีปฏิบัติเยอะยยยใช่แล้วท่านก็นทดลองมาหมดแล้ว เช่นปฏิบัติแบบอะไรล่ะพวกอเจรากระเบือยกาย <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> มีวิธีรับอาหารและบริโภคอาหารแบบแปลกๆหรือพวกรูขวัตแบบเศร้าหมองคือไม่เช็ดไม่ถูกายไม่อาบน้ําหรือเชคขุชกวัตลังเกียดบาปใส่ใจในยาบทอย่างยิ่งเกรงจะฆ่าสัตว์หรือว่าเข้าหาสู่ความส ง, งัดท่านทำมาหมดแล้วตปัดศีวัตนี่ท่านก็ทํามาแล้ว ปล่อยทิ้งมีมารยาทในการขับถ่ายเบากินอาหารไม่รับอาหารจากเขาที่เชื้อเชิญมึงเรียมืออะไรนเนี่ยอีกเยอะแยะหมดท่านทำมาหมดแล้วคือคื อ, คอท่านต้องทำทำให้เขาดูว่ามันไม่ใช่ทางอะ่ะบำเพ็ญมาหมดแล้วลูกควัดก็คือการปฏิบัติแบบเศร้าหมองหมักหมมอยู่ในกายเป็นเวลาหลายปีล้าง ร่างกายนานมากเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นมาเหมือนต่อตะโกนาว่างนั้นเถอะหรือว่าเนี่ยกได้นีแบบนี้ท่านทํามาหมดเลยทําแม้กระทั่งแอบหลบอยู่ในป่าไม่พบผู้คนข้อวัดแบบนี้ก็มีแล้วก็คานเข้าไปในข้อโคข้อวัวไปกิน อุจลาของวัวที่รวมไม่ลูกอ่อนไอ้ตัววัวเล็กๆเปื่กายไม่นุ่งผ้าทาหมดแล้วทาแล้วก็มนัสิการไปด้วยปัญญาว่านั้นเวลาพระเจ้าจะกล่าวกับการปฏิบัติแบบอัตกิลมาถานโโยกแล้วพระพุทธเา้าจึงบอกเลยไม่ใช่ทางเข้าใจไหมโอ้โหอธิบายบอกชัดเลยเนี่ย ทีนี้เอาละนี่เล่าอีกตอนหนึ่งตอนที่ท่านบาเพ็ญทุกกรกิริยาเนี่ยพระพุทธเจ้าเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นมานมารได้เข้าเมา มาประเราประโลมามากล่าวถ้อยคำแสดงความเอื้ออินดูมานมาแล้วตอนนี้ท่านบุพเพนภายพร้อมท่านมีร่างกายที่รูปผอมผิวพันธ์เศร้าหมองใกล้จะตายอยู่แล้ว <c oughs> มานมาพูดเดีมยวนะี้นท่านมีโอกาสตายถึง1 0 0 0ส่วน 1, น่พนเตะตายตายแน่โอกาสรอดชีวิตมีเพียง 1% เ, เ, เท่านั้น ท่านรักษาชีวิตไว้ดีกว่าเพราะยังมีเมื่อท่านมีชีวิตท่านก็ยังบำเพ็ญบุญต่างๆได้มารไม่รู้ไงมารนว่าเฮ้ยจะบรรลุแล้วเว้ยเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยคนบำเพ็ญขนาดนี้ถ้าบรรลุเป็นพรธเจ้าก็ตายแล้วก็ล่วงพ้นจากอำนาจของเราสิอยากกันนั้นเลยไปบอกให้เลิกความเพียนดีกว่าเข้าใจยังวัดศีมารเนี่ยเทวดาที่เป็นวิชาทิฏฐิอะ่ะ เข้ามาบอกมะเกี้กล่อมพ่อโพธิษัทว่าให้เลิกความเพียนเข้าใจไหมเพราะกลัวอะไรกลั ว, วจะตัดสู้พอตัดสู้เสร็จก็จะพ้นจากอำนาจที่มีเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาอบงำไม่ได้จะไว้ละมันมีกลุ่มคนเนี่ยเหมือนมนุษย์เรานี่แหละถ้ารู้ว่าใครจะสำเร็จยิ่งใหญ่จะให้เป็นพระราชาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ ย, ยตนเองก็อยากจะได้ตาแหน่งนั้นน่ ถ้จะมาไงเกี้ยกรมแม่ใช่ท่านมีร่างกายผู้สู้ผอมผิวพรรณเศร้าหมองใกล้จะตายอยู่แล้วท่านมีโอกาสตายทั้งหนึ่ันส่วนโอกาสร อ, อ, อดแค่ส่วนเดียวท่านรักษาชีวิตได้ไว้ดีกว่าเพราะเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านยังต้องบําเพ็ญบุญได้เจริญกุศลได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเกิดในสุคติพอบโอ้โหยิ่งใหญ่มาก ท่านจะเป็นพระราชาก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้เป็นเท้าสา ก, าก่าโอ้โหอีกเยอะแยะหมดท่านเป็นเทวินเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายยิ่งใหญ่มากในจักรวาล น, นี้นั้นบำเพ็ญบุญได้แต่ถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยเสียหายไม่ได้เลยว่า ง, งั้นเถอท่านจะเพียนไปทำไมท่านประพฤติพรหมจันทร์เว้นเมถุนทมบูชาไฟข้อบอกว่า พระโพธิส right> er ัต sí. ว์ทรงทําตามลัทธิบูชาบําเรอไฟด้วยสั่งสมบุญไว้มากท่านจะทําความเพียรไปทําไมท่านสามารถบูชาไฟก็ได้คือทำบิดบิดผิดๆเนี่ยนะนันได้บุญด้วยทางเพื่อความเพียรเนี่ยถ้าจะให้ความเพียรมันเป็นแรงกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัตินั้นดําเนินไปได้ยากมันจะหมดลมหายใจก่อนถ้าท่านเพียรขนาดเนี้ทําได้ยาก เพราะกายและจิตมันก็เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์จิตก็ต้องเป็นทุกข์ดท่านจะมาทรามานตัวเองไปทำไมเห็นไหมคนแยกกายกับจิตออกไม่ได้เนี่ยมันก็บอกว่ายากยิ่งที่จะประสบผลสาเร็จเห็นแต่ความตายรออยู่ข้างหน้าเท่านั้นเลิกเอะเถอะโดยสรุปเลิกเอะเอาถ้าเราเพียนขนาดนั้นมีคนมาเกลี้ยกล่อมอย่างนี้เราจะเปนไงรอมาพูดทั้งนานแล้วใช่ไ้มล่ะ ขนาดไม่พูดยังคิดอยู่ตั้งนานใช่ไหมโอ้โหมันเพิงฝ่าฟันมาก อ, าอย่างเราอ่ะมีคนมาชวนเวลานั่งกรรมฐ า, านเนี่ยถึงเวลาแล้วตอนนั้นชื่นใจไหมถามจริงพอบอกถึงเวลาแล้วชื่นใจไหมหัวล็อกกักในใจเลยทำทีทำท่ า, ทอทาโอ้โหวนั่งแทบตายใช่ห้หละแต่ท่านตอบยังไงรู้ไหม ท่านบอกว่ามาผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธ์ของคนประมณท่านมาที่นี่เพราะประสงค์ใดเราไม่มีความต้องการบุญเลยแม้แต่น้อยเราไม่มีความต้องการบุญเลยแม้แต่น้อยเพราะการทำบุญมันก็ไปเกิดในวัฏะใช่ไหมท่านไม่ต้องการ <c oughs> ความจริงท่านควรไปบอกเรื่องนี้แก่คนที่เขาต้องการบุญมาบอกฉันทาไม นู่นเยอะแยะไปหมดนุ่นไปบอกเน้นหน้าเน้นไปบอกท่านนายนู่นไปบอกผู้พัน น, นู่นไปบอกยอมแหม่ม น, นู่นนี่พวกนี้พวกต้องการบุญวะเงี้ยมาบอกฉันทำไมเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจเออมาบอกฉันทำไมเหตุใดท่านจึงเพียรมาหาเราผู้มีศรัทธาที่ตั้งมั่นผู้มีตาบะ ที่แรงกล้ามีความแกล้งกล้าอาถรรพ์และมีปัญญารอบรู้ทุกสิ่ ง, งว่าไงดีมีความมุ่งมั่นมีความเป็นอยู่อย่างนี้นี่แสดงถึงความมุ่งมั่นของพระพุทธพระองค์ไหมตอนนั้นขณาดเป็นโพยสัตว์นะมุ่งมั่นไหมกระแสน้ำในแม่น้ำทุกสายสามารถถูกลมพัดให้เหือดแห้งไปได้แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตที่ตั้งมั่น ไม่ได้เหือดแห้งไปเลยแม้แต่หยดเนี่ยเลือดในกายไม่เคยเหือดแห้งไปเลยแม้แต่หยดทีนี้แต่นะถ้าเลือดที่มันกำลังเหือดแห้งไปดีเสเลตกำลังเหือดแห้งไปด้วยและถ้าเมื่อเนื้อกำลังจะหมดไปแต่จิตของเราก็ยิ่งผ่องใสสติและปัญญาของเราก็ยิ่งผ่องใสสมาธิของเราก็จะยิ่งตั้งมัน่นยิ่งยิ่งขึ้นไป ชัดหัหยเรานั้นถึงจะได้รับทุกขเวทนาแรงกล้าอยู่อย่างนี้แต่จิตของเราไม่หวนคำหนึ่งถึงกามเลยไม่เคยคิดถึงทรัพย์บุตรภรรยาญาติมิตรไม่เคยหวนอะไรถึงพ่อถึงแม่ปู่ตายายหญ่เลยไม่เหมือนเนนนาตเลยเข้าใจยังเนี่ยไม่เคยคิดอาหารดีๆ ท่านจงคอยดูเราเนี่ยบอกมาเลยนะท่านจงคอยดูเราเราจะต้องเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์ให้ได้เราจะต้องตัดสู้ให้ได้เราจะต้องบรรลุให้ได้ท่านคอยดูเราั้นท่านไม่ต้องมาครบไม่ต้องค่อยอยดูอย่างเดียวพอดูดูดูเราดูคนเช่นเราเนี่ยชัดไหมอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามีกิเลสมะเกี้กล่อม จะปฏิเสธไหมกล้าไหมกล้าหักไหมบอกเลยบอกกิเลสเลยบอกไม่ต้องมากลอมไม่ต้องมาเกลี้ยกล่อมท่า น, นบอกว่าเรานั้นถึงจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอย่างนี้แต่จิตของเรานั้นไม่คํานึงถึงกามเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาบอกกิกกลเลสกามด้วยนะเช่นเราไม่เคยไปคิดถึงอาหารดีๆที่อยู่ ส, สวยๆงา ม, งาม เสียงพอะกลิ <mister tumors> ่นหอมรสอร่อยอร่อยเราไม่เคยไปคิดท่านจงดูเราบอกกักกิเลสอย่างนั้นนะเราจะต้องเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์ให้ได้เคยแบบนี้แล้วเวลาทําความเพียรแล้วเกิดกิเลสมารุมลาวเกิดโทสะมารุมลาวเกิดตัณหามารุมลาวเคยประกาศบอกกักกิเลสอย่างนี้ไหมเคยไหมล่ะนั้นก็บอกเขาสิใช่ไหมก็บอกเขาในขนาดนั้นเลยบอกว่ากิเลสเอ๋ยกิเลสสมารเอ๋ย วังนั้นเธอท่านจะมาพร่ำบอกอะไรกับเราเนผีผู้มีตะบะผู้มีศรัทธาผู้มีความเพียรผู้มีปัญญาบอกอย่างนี้เลยเนะวังนั้นเธอมีมีความมุ่งมั่นและมีความเป็นอยู่อย่างนี้วังนั้นเถอกระแสน้ําในแม่น้ําทุกสายสามารถจะถูกลมพัดให้เหือดแห้งไปได้ แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตมุ่งมั่นไม่ได้เหือดแห้งไปเลยแม้สักหยดผู้ก็บอกประมาณอย่างนี้บอกกิกิเลสแบบนี้ให้บอกอย่างนี้นะแต่เมื่อเลือดกําลังเหือดแห้งไปดีสเลสกําลังเหือดแห้งไปด้วยและถ้าเมื่อกําลังเนื้อกําลังมันจะหมดสิ้นไปแต่จิตของเราก็ยิ่งพองใสสติและปัญญาก็ยิ่งผ่องใสสมาธิของเราก็ยิ่งตั้งมัน่นยิ่งไปอีกตั้งมั่นกว่าเดิม เรานั้นแม้จะได้รับทุกเวทนาทางกายอย่างแรงกล้าอยู่อย่างนี้แต่จิตเราจิตของเราเนี่ยไม่เคยหวนถึงกามเลยเราจะไม่ยอมให้กิเลสกามมากุ้มรุมดึงชักพายเรากลับไปหากามมาคุณอีกเลยว่าก็เถอะท่านจงดูเรานะเราจะต้องเป็นสัตว์ที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ให้ได้เท่าไหร่เรียบร้อยมันจะกระโดดหนีเราไปเลยความความคิดชั่วร้ายต่างๆมันจะกระโดดหนีเลยก็เห ที่แสดงว่าบุคคลที่พิเศษที่มานและเสนมามาทำให้พ่ายแพ้ไม่ได้ว่ากิเลสกรมคือราคะโลภะท่านบอกว่าเราเรียกว่าเสนาเสนามานคือกองทัพที่หนึ่งนี่เป็นกองทัพที่หนึ่งของท่านราคะความกำหนัดเนี่ยมันเป็นเสนามเป็นกองทัพที่หนึ่งของมานความยินดี ความไม่ยินดีในการเจริญกุศลความไม่ยินดีในการมุ่งมั่นความไม่ยินดีในการบำเพ็ญความเพียรเราเรียกว่าเป็นเสนาที่สองของท่านความหิวความกระหายเราเรียกว่าเสนากองที่สามของท่านตัณหาความทยานอยากเราเรียกว่าเสนากองที่สี่ของท่านทินมิท้ะควาหมหดหู่ท้อถอยเราเรียกว่าเสนากองที่หของท่านม<ค>ักขะความรบลู <at> และทำพาความหัวดื้อ เราเรียกว่าเสนากองที่8ของท่านลาบความสการะสารเสริญยศที่ได้มาแบบผิดผิดเราเรียกว่าเสนากองที่9ของท่านการยกตนและการข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่10บของท่านมารเอยบอกไลยมารเลยน ะ, ะเสนาของท่านผู้มีธรรมดาอย่างนี้ทั้งมารและพลมามต่างก็ประกอบไปด้วยธรรมฝ่ายดำเนี่ย มีปกติกำจัดสมณพาาราหม์แล้วกำจัดคนโง่เอาชนะคนโง่คนเขาเอาชนะเสนามานเหล่านั้นไม่ได้แต่คนกล้าเช่นเราเนี่ยเอาชนะเสนามานได้แล้วย่อมได้รับความสุขอย่างแน่นอนนั้นเราจะได้มรรคสุขผลสุขแน่นอนเพราะเราเป็นคนกล้าเราไม่ใช่คนเขา่าเราคนฉลาดเราจะต้องชนะ มารพร้อมทั้งเสนามารได้อย่างแน่นอนพูดขนาดนั้นเนี่ยเพราะเพราะได้รับความสุขคือมรรคกิจผลเราจึงรักษาหญ้ามุงกระต่ายไว้ถ้าการมีชีวิตอยู่แล้วหน้าตีเตียนมีชีวิตอยู่แล้วเป็นธาตุ ของมารเป็นธาตุของกิเลสสมานเป็นต้นเป็นธาตุของกิเลสนะถ้ามีชีวิตอยู่แล้วเป็นธาตุของกิเลสเรายอมตายเสียในสงครามดีกว่าประเสริฐกว่าแพ้แล้วมีชีวิตอยู่จะประเสริฐอะไร เ, เรายอมแพ้นะแต่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นธาตุของโลภโทสะโมหะเป็นธาตุของมารเนี่ยประเสริฐไหม <S <S ตายย่งในสนามรบสู้กับกิเลสแล้วตายในสนามรบดีกว่านี่ทหาร ใช่ไหมอ้ทีนี้คือทหารในสงครามเนี่ยเ็าจะมีสั ญ, ญลักษณ์ของเขาที่จะเอาไว้สู้แบบไม่ท้อถอยสมัยก่อนก็จะมีเหมือนในการผูกหญ้ามุ้งกระต่ายไว้บนศรีรษะบ้างหรือผูกผูกไว้ที่ธงหรือว่าที่อาวุธเนี่ยหรือถ้าปัจจุบันก็จะธงไตลงธ ง, งชัยเฉลิมพลนั่นแหละเขาจะไม่ยอมทิ้งธงเขายอมตายดีกว่า เขาจะไม่ยอมทิ้งธงนักบวชนักบวชนี่ ย, ยอมตายดีกว่าใช่ไหมยอมตายดีกว่าก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมทิ้งไม่ยอมทิ้งฮะใช่ลักษณะอย่างนั้นก็คือบ่องบอกถึงว่าเป็นผู้สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยก็คือรักษาธงชัยคือสั ญ, ญลักษณ์ไว้ด้วย และในขณะเดียวกันก็รักษาศีลสมาธิปัญญาไว้ด้วยใช่ไหมตายอยู่กับศีลกับสมาธิอยู่กับปัญญาดีกว่าแม้จะได้ศีลสมาธิปัญญาระดับนี้ยังไม่ถึงสูงสุดก็ยอมตายดีกว่าดีกว่ายอมไปเป็นาธาตุของราคะโทสะโม <c oughs> <c oughs> เรจะเข้าใจไหมเจ<ะ>้าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของเป็นเป็นธงชัยของพระทหารเขาไม่ยอมทิง้ง <c oughs> ทิ้งแล้วกลับไปเป็นาธาตุเขาเขาประกาศยืนยันอันนี้หมายถึงหมายถึงคนที่มีหลักการอย่างแท้จริงก็จะเป็นอย่างนี้ S <S 2> <S 2> ท่านไม่ทิ้งมั้งท่านถูกจับให้ทิง้งเป น, นั้นไม่ว่ากันแล้วโยมปล่อยท่านไป <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนั้นนะสมณะพราหมณ์บางพวกตกอยู่ในอำนาจของเสนามานของท่านแล้วก็ย่อมไม่มีเกียรติคุณ่ปรากฏย่อมไม่รู้ทางที่พวกท่านผู้มีวัดดี เช่นพระปัจเจกพุทธยา่าพุทิยาาดำเนินไปอยู่เนาะอาตกรกถาก็กล่าวบอกว่ามารที่มีบาปได้ฟังพระดำรัสของพระโพธิสัตว์แล้วไม่พูดอะไรอีกหนีไปทันทีเมื่อมารหนีไปแล้วพระมหาศัตว์ก็ยังไม่บรรลุธรรมวิเศษอย่างใดเนี่ยพระทรงมุ่งบาเพ็ญทุกการะกิริยาก็ดำาริว่ายังมีทางอื่นเพื่อการตัสรู้อยู่อีกไหมนาะดังนี้แล้วเนี่ย อันนี้เห็นชัดว่ามานเนี่ยมาตอนที่พระโพธิสัตร์อดอาหารตอนที่บาเพ็ญทุกรกิริยาแล้วต่อมาท่านก็เลิกนะเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาท่านก็บอกบอกว่าผลนทางนี้น่าจะไม่ใช่พนทางการตัดสู้แล้วท่านก็เลยย้อนคิดถึงอาณาปานาสติปฐมฌานที่ท่านเคยได้อะเราเกิดความรู้แจ้งตามที่ระลึกด้วยสติว่าทางนั้น คงจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราจึงดำหลีว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากการมเว้นจากอากุศลธรรมทั้งหลายหรือไม่ท่านถามตัวเองคือถ้าหากว่าดำเนินไปตามทุกขกละกิริยาเนี่ยความสุขมันไม่เกิดเข้าใจหไหมแต่ถ้าดำเนินไปตามอาณาปณะสติสมาธิถ้าได้ปฐมฌานปุ๊บมันจะทิ้งกลามมาสุข มันจะได้สุขที่ประณีตกว่าถ้าได้ทุติยชาญปุ๊บมันจะทิ้งความสุขในทุติยชาญมันจะได้ปฐมชาญนสุขทุติยชานสุขตติยชานสุขมันจะเป็นสุขตามลําดับไปเลยเลยประณีตไปเรื่อยๆจะถึงเจตุติยชาญนสุขอากาสานัญญายัตนาสุขวิญญาณัญญายัตนาสุขอากินจัญญายัตนาสุขเนวะสัญญานาสัญญายัตนาสุขสมาบัตแปที่เป็นความสุขทุกระดับ แล้ววิปั ส, สนาทุกขั้นตอนตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณก็เป็นวิปั ส, สนาสุขแต่ละระดับระดับไปในที่สุดจริงๆความสุขเหล่านั้นก็จะปั่นนิดไปเรื่อยๆเป็นถึงมรรคสุดผลสุขนิพพานะสุขท่านเลยถามตัวเองว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและจากอากุศลทั้งหลายหรือไม่ก็ดํำลิว่าเราไม่กลัวความสุข นั้นความสุขในอาณาปะาะสติปทบวชานั้นเว้นจากการมาสุขและอกุศลธรรมทั้งหลายเราก็เกิดความคิดว่าการมีกายที่พ่ายผอมมากอย่างเนี้ยจะบรรลุความสุขนั้นทําได้ไม่ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาสเป็นต้นเราก็จึงกินอาหารหยาบแล้วก็ข้าวสุกเป็นต้นที่ได้จากการบินบาตครั้งนั้น ภิกษุปัญญวคีที่คอยปฏิบัติบำรุงเราก็ไม่ยินดีบำรุงพวกเขาจากไปด้วยความเข้าใจว่าสมณะโคโดมเป็นคนมากๆติดใจในรสอาหารปราณีตคลายความเพียนเวียนมาสู่ความเป็นคนมากๆเสียแล้วก็เลยพากันทิ้งเรามองเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราจะได้เห็นว่าในพุทธประวัติตอนนี้เราจะเห็นชัดว่าท่านถามตัวเองว่ากลัวไหม กว่าความสุขที่ไม่ต้องไม่มีกามไหมล่ะแล้วกลัวไหมล่ะถ้าเราได้ความสุขในปฐมชาติแล้วเราจะไม่ใยดีความสุขในกามาสุขกลัวไหมเรายังลังเลอยู่ไหมว่าจะเอากามาสุขหรือเอาอานาปณะปฐมชาตสุขจเจ้าสุขระดับไหนเนี่ยตอนนี้ยังไงเขาเรียกว่ากลัวแล้วกลัวความสุขที่ไม่มีกาม ไอ้ความคิดแบบนี้ใช่เรายังกลัวความสุขที่ไม่ไม่มีกาม ท, ทั้งทั้งที่ควาอาณาปนาผทมชาณสุขอาณาปะนะทุเตียชาณสุขเป็นเป็นสุขที่มันยิ่งกว่ากามยิ่งกว่าอากุศลธรรมทั้งหลายแต่ตอนนี้เราติดใจในกามสุขติดใจในอกุศลเรายังใช้กามสุขใช้อกุศลสุขในการดำเนินชีวิตกันอยู่เลย แล้วก็ยังยินดียังพอใจยังเพลิดเพลินกับความสุขระดับนี้เรากลัวว่าถ้าได้ปฐมฌานสุขแล้วมันจะไม่มีสุขระดับนี้เราไม่กล้ามันเหมือนกรณีที่บอกว่าย้ายบ้านไหมบ้านนั้นดีกว่านี้นะแต่เราติดบ้านนี้แล้วเราติดบ้านนี้ติดบริเวณเหล่านี้ติดญ้าติดมิรติดบรรยากาศที่นี่เรียบร้อยแล้วเราไม่กล้าไปเหมือนคนแก่คนแก่ติดบ้านน่ะ ไปสร้างบ้านใหม่ให้อยู่ไงอยู่ไม่ได้ใจจะขาดพอไปอยู่บ้านปุ๊บกระคานกลับมาบ้านเดิมไปอยู่นอนไม่หลับหงุดหงิดป่วยไข้กินไม่ได้โอ้โหมองเห็นไหมเราเราเป็นคนกลุ่มนี้กลุ่มคนแก่ติดบ้านติดบ้านติดทรัพ์ติดบุตรติดภรรยาติดญาติมิตรใช่ไหมแล้วมันไปไม่ได้ตรงนี้แหละเพราะเรายังไม่ทิ้ง การ ม, มาสุขเพื่อจะเข้าหาปฐมฉาณาสุขเป็นต้นเห็นนี่ยังเห็นช่องทางเราเลยลังเลอยู่เนี้ยไอ้ลังเลตรงเนี้ยเขาเรียกวิจิกิจฉาเขาเรียกโมห oh ะอะไรเป็นเหตุทำให้เราลังเลอะไรเป็นเหตุให้เราวิจิกิจฉาข้อมูลมันไม่พอมันไม่ชัดปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดมันแยกเหตุแยกผลแยก ดีชั่วแยกประโยชน์แล้วไม่ประโยชน์แยกคุณแยกโทษดำขาวชัดเมื่อไหร่แล้วมันจะทิ้งได้มันจะทิ้งได้จริงๆมันมันมันทิ้งได้ด้วยปัญญาด้วยความรู้จริงๆมันไม่ได้ทิ้งได้ด้วยการอีจะทิ้งจะทิ้งอย่างเดียวนะเจตนามันก็ระดับเดียวแต่มันต้องได้ปัญญาเห็นคุณเห็นโทษจริงๆเข้าไปเจาะทะลุทะลวงเห็นจริงๆต่อให้มายื่ดยังไงมันก็ไม่เอาถ้ามันเห็นมันเป็นโทษจริงไหมล่ะ เหมือนเราบอกว่าไม่เอาแล้วจริงๆเราเห็นโทษมันจริงๆเราได้เห็นตรงนั้นจริงๆไหมถ้าเห็นจริงๆเนี่ยมันไม่เอาจริงๆเนี่ยแยกให้ออกว่าพวกเราเหมือนยายแก่ติดบ้านนั่นแหละเอาไปอยู่ดีขนาดไหนลองคิดดูที่ว่าเช่นคนมีเงินมีท้องเนี่ยโอ้โหพาพ่อปู่ตายายยายไปนอนโรงแรมอย่างดีอะแป๊บเดียวมันสนุกอยู่แป๊บเดียวมันอยากจะกลับบ้าน หรือไปต่างประเทศแต่อยากจะกลับบ้านทั้งๆที่โอ้โหบรรยากาศอะไรดีหมดเงินทองก็มีอะไรต่างๆดูแลอย่างดีแหละไปแป๊บเดียวห่วงห่วงบ้านอยู่นั่นแหละไอ้สุขที่มันดีกว่าก็อยากจะได้แต่อย่างเดียวก็มันก็มันติดสุขเดิมสุขเก่ามองเห็นยังยอมเห็นยังเริ่มเห็นช่องทางเดินของตนเองนี่อย่งว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะความไม่ชัดเพราะปัญญาไม่พอเพราะข้อมูลไม่ถึง แยกเหตุแยกผลไม่ออกมันก็ลังเลสงสัยอยู่อย่างนี้แหละโมหะมีกําลังจัดแล้วเราก็อยู่อย่างนี้โดยไม่แสวงหาข้อมูลเหตุและผลดีชั่วคุณประโยชน์คุณโทษเราไม่เคยแยกแยะมันชัดสัทีถ้าแยกยากจนชัดฟังจนชัดทําจนเข้าใจให้ชัดเอาไปตรึกไปไข่ควรจนเกิดปัญญาใช่ไหมฟังชัดเป็นสุตตามยะปัญญาเห็นคุณเห็นโทษชัดแล้วไปพินิษพิจารณาวิจัยแยกแยะจนเจาะลึกกว่าที่ฟังมาอีก จนในที่สุดมาฝึกฝนพัฒนาจนเองจนเห็นประจักษ์แจ้งว่าโหมันไม่มีคุณจริงๆเลยโทษมีโทษมากแต่คุณมีนิดเดียวอยากันนั้นเลยเราหาเข้าถึงอาณาปณะปฐมฌานาศกทึ่งมีคุณมากกว่าประเสริฐกว่าเลิดกว่ า, วาดีกว่าโอ้โหพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันเห็นก่อนมันจึงทำไม่ใช่ฝืนที่จะไปทาก่อนจึงมาเห็น มันเห็นมันมันให้มันได้เหตุผลก่อนมันยึงไปทำการปฏิบัติเนี่ยที่จะเดินระดับเนี่ยมันเห็นจนเข้าใจทะลุโปร่งแล้วมันถึงทำเหมือนเส้นทางเดินเนี่ยแผนที่มันชัดก่อนยังขับรถเพื่อไปถึงจุดหมายแต่ไม่ใช่คุ้มเครือรู้สึกมันท้อเป็นทุกข์เหลือเกินไม่ไม่ชัดในทางเดินเลยแล้วก็ไปกันมั่วๆเงี้ยผิดทางกันไปแถวไปแนวเขาใหง แล้วก็ไม่รู้ไอจุดหมายที่จะไปน่ะมันดีไม่ดียังไงก็ไม่รู้มันยังลังเลสงสัยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้ยินเขาว่ามาเขาว่ามาแค่นี้เองอ่ะ <S <S พอมออกอยังนี่แหละครั้งนั้นเน่ะปัญญวคีก็เบื่อหน่ายหลีกไปตอนนั้นก็คือเปิดโอกาสให้พระโพธิสัตว์ได้กายวิเวกในเวลาที่จะบรรลุสัมมาสัมพุทญาณท่านก็ไปที่วาานาสี เมื่อพระโพเมื่อปัญญวัคคีไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้กายวิเวกตลอดกึ่งเดือนคือสิบห้าวันแล้วก็นั่งเหนืออปรราชิตาบาลังนะักโพธิพฤกบนทนนั่นแหละทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าการที่เริ่มบำเพ็ญทุกการกิริยาเนี่ยนะที่บำเพ็ญข้อวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตปัสสีวัดในคราวที่ทรง บวชเป็นอาเจรากะหรืออาชีวกลูกวาดเป็นต้นก่อนใช้เวลาประพฤติอยู่หลายปีการที่เริ่มบำเพ็ญทุกการกริยาเนี่ยหลังผนวดแล้วได้สองเดือนพระอัตกถ า, าแห่งหนึ่งก็ระบุว่าเมื่อพระมหาสัตว์ทรงทำทุกการกริยาหกปีที่หกในวันวิสาขาปาุณมีคือวันเพ็ญขึ้น15บ้าาเดือนแ เดืน6ทรงใช้เวลา2เดือนนับแต่พนวดนะจนถึงไปที่สำนักอาราลาดาบทอุทักาตาบทก็เริ่มมาเป็นทุกค ก, กริยาเป็นต้นนี้เป็นไปตามแบบคืออย่างนี้ก่อนสรุปอย่างนี้พระชนมายุย9ปีออกบวชใช่ไหมแล้วก็พระชน30ปีถึง36ปีโดยรวมเนี่ยนะก็คือ6ปีหย่อน15วันได้ฌานสมาบัติที่7 ในสำนักของอาราและลาบทกาลามาโคตได้ชาสมาบัตรที่8ในสำนักของอุทกาดาบทลามาบุตรรวม2เดือนต่อมาก็ประพฤติทุกกรกิยาตะปาศีวัดบ้างรูขวัตบ้างรวมถึงปฏิบัติอย่างอื่นต่างๆที่อยู่ในสมัยนั้นที่รัฐที่ที่เขาเชื่อกันและที่บูชายันบนมงไฟอะไรก็แล้วแต่ประพฤติทุกกรกิยาในมหาสัจกสูตรโพธิราชกุมารสูต ร, ลตรแล้วก็ในสคาราสูตรเนี่ย กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นกดเพดานควมจิต ด, ด้วยจิตกั้นลมหายใจเข้าออกปิดทั้งทางปากทางจมูกทางช่องหูแล้วก็เพิ่มเวลานานขึ้นแล้วก็ลดการกินอาหารจนไม่กินเลยแล้วก็ระลึกถึงปฐมฌานในวันวัประมงคลก่อนตอนนั้นนะก่อนต่สรู้สิบ้าวันกลับมาฟื้นตัวเองเนีแล้วก็เสด็จบินตาบาทถวายอาหารแล้วก็ปัญญคีหนีเลยเนี่ยลักษณะเนี้ย หลังจากนั้นสิบห้าวันช่วงเวลาเนี้ยปรับตึงตัวเองกลับฟื้นตัวเร็วมากนี้ภายในสิบห้าวันแล้วก็ทาฌานสมาบัตกลับขึ้นมาใหม่หมดเลย <c oughs> ได้พิญญาด้วยอะไรด้วยเนี่ยก่อนที่จะมาตัดสรูปทีนี้กาลิยาวัดในวันก่อนที่จะตัดสรุปเนี่ยคือ ท, ท่านพูดเองท่านบอกว่าในวันที่สิกิจที่ เป็นไปโดยมากก็คือหลังจากที่ทรงตรีตรองหนทางการตัดสู้เพราะมีพุทธพจน์จํานวนหนึ่งที่ตรัสเล่าในภายหลังนีบอกว่าภิกษุทั้งหลายก่อนตัดสู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิษัตยังไม่ได้ตัดสู้หรือยังไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะยังไม่รู้อริยาาสัจสีได้คิดคํานึงว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรหนอเป็นโทษในโลกอะไรหนอเป็นอุบายเครื่องตรัสออกในโลก ภิกษุทั้งหลายก่อนจัตสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้จัตสรู้ได้คิดคำหนึงว่าเราพึงแยกวิตกคือความตึกให้เป็น2 ส, ส่วนภิกษุทั้งหลายเราได้แยกการมาวิตกพยาบาทวิตกวิหงสาวิตกให้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แยกเนกขม้วิตกอัพยาบาทวิตกอวิงสาวิตกให้เป็นอีกส่วนหนึ่งนี้นี่ น, นกล่าวไว้ในติกานิบาตส่วนในอีกที่หนึ่งคือในอุ ป, ปริปันาฏบอกว่าตรัสแก่พระนุรุท ธ, ธะและคณะของพระนุรุทธะบอกว่าพวกเธอพึงแทงตลอดนิมิตรนั่นแล แม้เราก็เคยมาแล้วครั้งก่อนตัดสรู้ยังเป็นยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์ย่อมรับรู้แสงสว่างและการเห็นรูปเหมือนกันต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปเราก็หายไปเราก็เกิดความสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปอย่างนี้เป็นต้น แล้วเราก็ใช้ฌานมีอโลกากสินเป็นอารมณ์ทำรรอภิญญาคือตาทิพย์สอดคล้องกับพระดํารัตในปฐมในปฐมฌานในวันว่าประมงคลทรงนึกถึงสุขในฌานเมื่อปัญญวิคีไปแล้วพระ อ, องค์ก็เจริญฌานได้สะดวกบรรลุฌานอยู่ด้วยฌานแล้วก็ทำอภิญญาเกิดขึ้นที่ตาบลอุรุราเซนานิคมนี่เพิ่งเจริญฌานนีน้ไม่ใช่เพิ่งเจริญฌานในวันที่ได้ตัดสู้ได้มาก่อนภิกษุทั้งหลาย ก่อนตัดรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตัดรู้เราได้มีความคิดว่ากามคุณที่เป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อเกิดก็ย่อมแล่นไปในการมมคุณที่เป็นอดีตทรงนึกถึงกามคุณในอดีตเพราะปัจจุบันไม่ได้อยู่ในการมมคุณแล้วคันน่ะน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรือในอนาคตท่านบอกว่าโดยมากคิดถึงกามคุณในอดีต ที่เคยได้เสภและภิกษุทั้งหลายก่อนทัสรุปเมื่อเรายังเป็นพระโพิษัทย์ยังไม่ได้ตัสรุปเราได้เกิดความสงสัยว่าอะไรหนอเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญอย่างอิทธิบาตเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็คือหลักการที่ทรงทรงค้นคิดและต่อมาก็หลังจากที่ว่าบารมีเริ่มแก่กล้าแล้วต่อมาที่ว่าจะมาเจอนางสุชาดาถวายข้าวมัทุ ป, ปายาตเมื่อรับข้าวมัทุ ป, ปายาตเบ็ดเสร็จแล้วตอนนั้นก็คือ ท่านก็นางนางสุชาดาก็บอกว่าความปรารถนาของนางสำริจผลตราบใดก็ขอให้ให้ท่านจงจงความปรารถนาของท่านจงสมลิดผลอย่นี้เป็นต้นนั้นมองงนี้ก็คือว่าจะได้เห็นว่าเดี๋ยวตูตอนช่วงที่จะตัดสรู้จะจะไม่กล่าวรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะยาวไปนิด ทีนี้หลังจากที่ที่รับข้าวมาทุปญาต์เนี่ยรับข้าวมาทุปญาตจากนางสุชาดาแล้วท่านก็ไปจนเย็นนะท่านยิงข้ามฝั่งจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยลันจร า, าข้า ม, มาอีกฝั่งหนึ่งพอจํจำได้ใช่ไหมตรงนั้นที่บอกว่า เหตุการณ์พระพุทธเจ้าเล่าในภายหลังว่ามีทำอยู่สองอย่างที่ช่วยให้ตัศรู้เนี่ยภิกษุทั้งหลายเราได้รู้ทั่วถึงทำสองอย่างคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรธรมกับความเป็นผู้ไม่ย่อท้อในความเพียรคือเพียรย่างติดต่อถ้าคนมีธรรมมาสองประการเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นในการจะให้ตัสรู้ เราเริ่มตามเราเริ่มตั้งความเพียรอย่างไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีละจะแหดเหือหายไปเมื่ อ, อยังไม่บรรลุประโยชน์ที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงเขาบูดด้วยความเพียรเขาบูดด้วยความบากบั่นเขาบูดแล้วจะไม่หยุดความเพียร น, นั้นภิกษุทั้งหลายเรานั้นก็คือโพธิยานคือมรรคยานทั้ง4เนี่ยและสพยุตยานนั้นเราได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท ก็คือการมีสติกำกับอยู่ตลอดทีนทีนี้ในเวลาถ้าดูจากอัตถกถาที่ท่านเล่าท่านบอกว่าเวลาเย็นเนี่ยท่านเสด็จมุ่งไปที่ต้นโพธิพฤกษ์ตามที่เทวดาทั้งหลายประดับแล้วพระโพธิสัททรงรับหญ้าคายญ้าอสัตถาซึ่งเป็นวิชัยวิญพฤกษ์อันรุ่งโรจน์กว่าหมูไม้ทั้งหลายคล้ายกับชนครีสีเขียวคล้ำ ประหนึ่งบรรเทาแสงทินกรนะมีร่มเย็นเป็นดดเงาอยู่ตอนนั้นก็คือว่าทรงกระทำทักศินแห่งต้นโพนะมรอบประทับยืนแล้วก็จับยอดหญ้าคาเขยา่าทันใดนั้นเองบรลังก์ก็สูงขึ้น14สศอกหญ้านั้นก็เป็นเหมือนจิตจิตการนะที่วาดเข้าไว้พระโพธิสัท์ก็ประทับนั่งคดสมาที่เหนือ เหนือสันถัดย่านั้นน่ะสิบสี่อกที่สูงประทับนั่งแล้วก็เหมือนมีฉัดแก้วมณีกั้นอยู่เบื้องบนยอดอ่อนโพธิพฤกษ์ก็ล่วงหล่นลงมาที่จีวรสีทองรุ่งโรดดังแก้วประการเนี่ยสมัยนั้นสมัยนั้นมารที่มีบาปก็คิดว่าเอ๊ะเนี่ยสิท ธ, ธัฐราชกุมารต้องการจะล่วงพ้นอำนาจของเราบัดนี้เราจักให้เขา ไม่ให้เขาหลุดพ้นไปได้จึงไปในสำนักของก็กลุ่มพลรมนี่ก็ยกกลุ่มพลรมนมาเทพบุทรมานเนี่ ย, ยขี่ช้างเมฆเาเรียกว่าเมฆขลาเนรมิตแขนเป็นพันเป็นต้นเหมือนในบทพาหงที่เราสวดเทวดาในหมื่นจักราวาลที่กำลังตอนนั้นน่ะที่พระเจ้าไปนั่งเทวดานี่จักรวาลทั้งหลายมาประชุมเงินเต็มหมดเลยทียนี้ เมื่อมารเข้ามาใกล้โพทิมวลทนบรรดาเทวดาเหล่านั้นเนี่ยไม่อาจจะดํารงอยู่ได้ก็พากันหนีเกลี้ยงหมดเลย เ, ยยเห็นไหมถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าคนเราเวลาจะบําเพ็ญเพียรแล้วก็แน่วแน่จริงๆเนี่ยถ้ามีมารมีอุปสรรคใดๆเข้ามาถมนะอย่าไปคิดว่าจะให้คนอื่นมาอยู่เป็นเพื่อนคอยสู้เนี่ย ไม่มีเลยเข้าใจใช่ไหมดงั้นเราต้องทําะไรกุศลหรือบรารมีหรือคุณความดีนี่ไว้กุศลคุณธรรมหรือบรารมีอ่ะถึงัณเกียรติได้อย่างพระโพธิสัต์เนี่ยพอพยามารมาปุ๊บเทวดาพรมทั้งหลายพากนันหนีหมดพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรทั้งสด้านเห็นแต่ความว่างเปล่าเพราะไม่มีเทวดาเพราะเทวดาหนีไปหมดแล้วก็เห็นมารจู่โจมมาทางทิศเหนือ ใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือ ก, ก็มาเต็มไปหมดเลยเนี่ย น, น, นั่นแหละพอลมานจํานวนมากกระทําความเพียรใหญ่โตเพราะมุ่งหมายเอาชนะเราผู้เดียวในที่นี้ท่านบอกในที่นี้เราไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีพี่น้องไม่มีญาติคนใดเลยเรามีแต่บารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบปรมาภิบารมีสิ เรามีทานบา ร, รมีศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะธิฏฐานเมตธาบริกรรนี้เท่านั้นที่จะเป็นเหมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงไว้ตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นเราควรทําบา ร, รมีให้เป็นยอดแปลว่าอะไรทําบา ร, รมีให้เป็นโลกของหมู่พลเอาสัตราคือบา ร, รมีเหล่านั้นนั่นแหละมาประหารกําจัดหมู่พลมานเสีย พอดำริอย่างนี้ปุ๊บท่านก็ลําพึงถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีเป็นต้นเหล่านี้ก็ระลึกเอาบารมีเหล่านั้นมาประชมไว้ในตนเป็นกรออย่างตัวเ น, นี้ยทานบา ร, รมีเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมศีลบารมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเวขาบารมีเวลาเราเจอปัญหาเจอปัสสักใดๆเราเคยคิดถึงบารมีเหล่านี้ไหมเคยไหมล่ะ ถ้จเจอกิเลสมากุ้มรุมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเคยรละลึกถึงบา ร, รมีเหล่านี้มาเป็นเกราะคุ้มครองว่าเราจะเอาบา ร, รมีเหล่านี้มาเป็นพลังในการผลักดันกิเลสให้หลุดพ้นจากกระแสชีวิตเคยคิดอย่างนี้ไหมงั้นก็ต้องคิดเสียนะเนี่ยก็ต้องคิดเสีไนะอ้ตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ตอนนั้นมารก็โอ้โหใช้ฤทธิ์เลยเยอะแยะหมดพระโพธิสัตว์ เทวดาทั้งหลายอยู่นะขอบจั ก, กรวาลยืนโชว์คอโชว์ศีรษะขึ้นดูคิดว่าพระสิทธถะเลอเลิอดด้วยพระรูปโฉมพินาตไปแล้วมั้งคิดอย่างนั้นเนะี่ยไม่กล้ามาแล้วขอโชว์คออยู่ไกลๆพอคอยลุ้นไม่ไม่มาสู้ไม่ขอมาช่วยเข้าใจมัเป็นแบบนี้แหละพราะชีวิตนะี่ยทีนี้พระโพธิสัตว์ก็ ตรัดแก่มานตอนนะั้บรลังที่เกิดขึ้นในวันตรัสรู้ของพระโพธิสัท์ทั้งหลายผู้ดได้เป็ น, ปนบา ร, รมีแล้วย่อมมีแกเรามานท่านคงเคยให้ทานเมื่อท่านให้ทานท่านมีใครเป็นสักขีพยานบ้างมานก็ชี้ไปทั้งหมู่มานว่าชนทั้งหมดนี้แหละเป็นสักขีพยานไพโพรมานก็ส่งเสียงรับบอกเราเป็นสักขีพยานเราเป็นสักขีพยานเนี่ยนะ มารก็กล่าวกับว่าสิทธะในการที่ท่านให้ทานแล้วท่านมีใครเป็นสักิพยานพระมหาบุรุษก็ตรัสว่ามารในการที่ท่านให้ทานท่านมีชนผู้มีจิตใจเป็นพยานให้แก่ท่านท่านมีชนผู้มีจิตใจเป็นพยานแต่ตัวเราไม่มีใครเป็นพยานให้นะที่นี้เลยทานที่เราได้ให้แล้วในอัตภาพก่อนๆจงกยกเว้นไว้นะ ท่านว่างั้นเอาแค่สมัยที่เราเป็นพระเวสสันดรก็พอเราบริจาคสัตตสกมหาทานทานที่ยิ่งใหญ่บริจาคได้วัตถุสิ่งของอย่างละ700อ่ะการบริจาคครั้งนั้นในบัดนี้เรามีเพียงพื้นปฐพีใหญ่ที่ไร้จิตใจเป็นสักขีพยานให้แล้วก็ทรงนำหัดพระหัดขวาออกจากกีวร ชี้ลงไปที่ปฐพีชี้ไปที่แผ่นดินพร้อมตรัสว่าในการที่เราเป็นพระเวสสันดรได้บริจาคสัตตะสดกมหาทานท่านเป็นสักขีพยานให้เราได้หรือไม่ถามแผ่นดินเลยถามแผ่นดินที่ไม่มีใจนี่แหละ ม, ลมหาปฐาพี ได้ยินพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นก็บรือกรบเสียงของพลมานว่าในการนั้นเราเป็นสกขีพย า, ยานได้เราเป็นสกีพย า, ยานได้พระมหาบุรุษก็พิจารณาถึงทานที่ให้แล้วในสมัยเป็นพระเวสสันดนรสิทธะมหาทานอุดอมทานทานที่ยากยิ่งคือการให้อวัยวะและชีวิตเราได้บำเพ็ญแล้วพอยิ่งคิดอยู่หพลังใจกระมัอ ถ้าในปฐมสมโพธิกรถาบอกถึงนางธรณีใช่ไหมแต่ถ้าในที่อื่นไม่มีบอกไว้พอพูดอย่างนั้นนะทันใดนั้นนะพอพอแผ่นดินไหวอย่างแรงเนี่ยนะพญาช้างเมฆคะรนะเนี่ยพญาช้างนั่นนะ่คุกเข่าสุดลงกับพื้นเลยแผ่นดินไหวทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหม สุดลงเลยคุกข่าวลงกับแผ่นดินมารพญามารตกกระเด็นตกจากช้างเลยดิโอ้โหก็เจองกันหมดเลยไปคนละที่ละทางทิ้งเครื่องประดับแล้วผ้านุ่งไว้หนีกันไปโอ้โหตายกันคนละทางเทวดาเห็นมารหนีไปแล้วเห็นก็เทวาเทวดาเห็นแล้วพวกนาครุฑเลยคนทันทั้งหลายเลยเนี้ยบอกมารแพ้แล้ว มารแพ้แล้วสิทธิฐาชนะแล้วพวกเราไปร่วมยินดีไปร่วมยินดีมากันเต็มอีกแล้วเทวดามาแล้วในการนั้นนะ่ะหมู่เทพมีใจเบิกบานประกาศชัยชนะของพระมเหสีเจ้านะโพธิมณฑลพระพุทธเจ้าผู้มีสิริทรงมีชัยชนะส่วนมารพ่ายแพ้แล้วเทวดาในหมื่นจักรวาลก็บูชาด้วยดอกไม้กองหอม เมื่ออาทิตย์ยังทอแสงอยู่นี่นแหละพระโพธิสัตว์ก็กําจัดมารและพลมานอย่างนี้ได้เป็นต้นอย่างนี้นะนี่นี่ก็คือกล่าวในเรื่องของการชนะมารแต่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการตัดสรุปก่อนแต่พูดถึงว่าก่อนจะตัดสรุปในชนะที่บอกว่ามารคือตอนนั้นอ่ะมารคิดจะทําให้พระโพธิสัตว์เกิดความกลัวแล้วลุกหนีไปใช่ไหมจึงแสดงลิธ พระมหาบรุษก็บอกว่ามานท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาเพื่อบรรลังนี้แต่ครั้งไหนก็ถามก็ทรงใช้พระหัตถ์ขวาชี้ลงบนพื้นปฐพีทันใดนั้นก็เกิดนั่นแหละแผ่นดินก็ไหวนั่นแหละข่าซ้ายพญาช้างก็ฟุบลงที่จริงท่านบอกว่าบางที่บอกฟ้าผ่าถูกช้างและมานและไ พ, พ่ผลมารที่นั่งอยู่บนคอช้างก็ร่วงลงสู่พื้นดิน พลามารก็กระจัดกระเจ่างไปหมดพระมหาบุรุษกําจัดมารทั้งเสนามารด้วยอนุภาพของบารมีมีฐานบารมีเป็นต้นอะไรเนี้ยเนี่ยท่านกล่าวถึงลักษณะอย่างนั้นและต่อมาหลังจากมารไประเบิดเสร็จแล้วท่านก็บำเพ็ญเข้าปฐมญานก็ทรงระลึกถึงขันเป็นต้นเข้าปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นเข้าสมาบัติ8ดเอาฐานของสติฌานเป็นฐานก็เดินวิปัสสนาญาณด้วยระลึกชาติด้วย ได้ปุเพนิวาสานุสติยานลึกชาตุนนหลังได้เป็นต้นพอในทุติยะายามัชชิมยามก็ทําจตูปปาติยานก็คือทําตอนนั้นก็ได้กังขาวิเทรณวิสุทธิ์ที่ด้วยรุ้ยุติเรเบติสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายพอปชิมยามใกล้ลุงก็เดินวิปัสสนาญาณไปตามลําดับใช้สมาธิเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณแทงตลอดอริยสัตว์ทุกสมุทัยนิโรธมาก พออรุณขึ้นก็เลยตัสรู้นุตตะาสัมมาสัมปญญาเป็นพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยและก็เลยได้บรรลุนั้นกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพปิญาณแม้ในอัตภาพสุดท้ายก็เจออุปสรรคมากมายนั้นอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าปัญหาอุปสรรคกับกลายเป็นตัวอุปการะ ทำให้ท่านเกิดความมุ่งมั่นในการเอาชนะกิเลสและกองทุกข์ได้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่เจอปัญหาและอุปสรรคนั้นจงจงยิ้มไว้แสดงว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมาเป็นบทฝึกบททดสอบที่จะทำให้เราได้เกิดความแกล้าและอาถารใช่ไหมถ้า ป, ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้มาได้ด้วยอะไรมาด้วยบุญของเรา ถ้าไม่มีปัญหาและอุปสรรคเนี่ยขันติบา ร, รมีจะเกิดยังไงเอาจจะเกิดได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญหาและอุปสรรคในปัญญาบา ร, รมีจะได้บททดสอบขนาดไหนว่าบำเพ็ญมาได้แค่ไหนอย่างไรฉะนั้นปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายถ้ามองดีๆแล้วมันกลับกลายเป็นจุดประเด็นสําคัญแห่งการพลิกผันของชีวิตชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ประสบความสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้จากอุปสรรค พระเจ้าเรียนรู้อุปสรรคมากมายและในที่สจริงสามารถชนะอุปสรรคและกองทุกได้ก็โดยอุปสรรคและกองทุกเหล่านี้ใช่ไหมฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยอุปสรรคใดๆเลยถ้าเราฉลาดในการเข้าไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นเรากลับกายเอามาเป็นปัญญาเอามาเป็นประโยชน์ได้เราก็ไม่ต้องไปทุก์ไปอะไรกับมัน mm hmm. เห็นปัญหาจะไม่ด้วยปัญญามันก็ทําให้เรารู้และเข้าใจแล้วก็แทงตลอดได้ จึงไม่ควรกลัวต่อปัญหาและอุปสรรคแต่จงมองปัญหาและอุปสรรคด้วยปัญญาและเอาปัญหาและอุปสรรคเป็นบทปึกเป็นข้อปึกพูดกันให้ชัดลงไปก็คือปัญหาและอุปสรรคเอาเป็นเวทีทดสอบศักยภาพของมนุษย์จริงไหมดีไหมปัญหาและอุปสรรคงั้นขอให้พวกเราเจอปัญหากันเยอะๆ <laughs> จะอุปสรรคกันมากๆ <laughs> จะได้พ้นทุกข์โดยเร็ว พอไม่เจอปัญหาไม่เจออุปสรรคไม่แล้วมันจึงไม่พ้นทุกข์หรือบางทีเราไปมองปัญหาด้วยจิตที่ผิดพลาดเราเลยไม่ได้ความหลุดพ้นและพ้นทุกข์อันนี้ก็ค่อยเรียนรู้ไปนะปัญญาเราอาจจะยังไม่มากเราก็เลยไม่ชอบปัญหาเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าพัฒนาปัญญามากๆแล้วเนี่ยปัญหามันเยอะในตัวมันเองอยู่แล้วที่จริงอะ่ะมันไม่เห็นปัญหาตังหางทั้งที่อยู่กับปัญหา ฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียกร้องปัญหาปัญหา ม, มันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทุกขสัจจะมันเป็นตัวปัญหาในตัวมันเองอยู่แล้วที่เราต้องมาแบกขันธภาละในการที่ต้องมามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าพัฒนาปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นให้เกิดขึ้นเมื่อพระมาทิฏฐิเห็นความทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อไหร่ฉลาดในทุกลาสมูทไทยมีจุดหมายคือที่นิโรธ ก็มาบำเพ็ญข้อที่4ี่ข้อเดียวคืออบรมอริยมาร์กถ้าไปชมอริยมารกได้เมื่อไหรเราก็จะสามารถล่วงจากกิเลสและกองทุกได้เอาและสมควรเกลเวลาขอโมทนา